วันนี้ก็เป็นวันพระราสาพระเรียกว่าวันธรรมสวระธรรมสวนะแปลว่าการฟังธรรมเป็นวันฟังธรรมเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดไว้บัญญัติไว้ให้ญาติโยมชาวพุทธเราได้มีเวลามาฟังเทศฟังธรรม มาปฏิบัติทมกันถ้าไม่กำหนดก็จะไม่มีใครมากันยานัวแต่ไปทำมาหากินหาเงินหาทองหาความสุขทางโลกที่เป็นความสุขปลอมที่เป็นความสุขแบบยาวเสดติดที่เป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์เวลาไม่ได้สัมผัสไม่ได้เสก ยังสอนให้มาฟังเทศมาศึกษาพราะธรรมคาสอนฟังธรรมคําสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีคําสอนอันใดในโลกนี้เหมือนอไม่มีคําสอนอันใดที่จะสอนให้พวกเราได้พบกับความสุขที่แท้จริงได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆคําสอนของของผู้อื่น ไม่สามารถสอนให้เราพ้นจากความทุกข์ได้เราให้เรียนจบปริญญาเอง mm. ก็ยังต้องร้องห่มร้องไห้ยังต้องเศร้าโศกเสียใจ mm. เพราะความรู้ทางโลกไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้ mm. มีความรู้ทางธรรมของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นที่จะดับความทุกข์ทางใจให้หมดสิ้นไปได้จะ mm. ไม่ทุกข์กับอะไรเลย จะอยู่แบบไหนก็ได้อยู่แบบยากจนขอทานก็ได้อยู่แบบเศรษฐีก็ได้อยู่แบบมีตําแหน่งใหญ่โตก็ได้อยู่แบบไม่มีตําแหน่งก็ได้อยู่แบบแก่ก็ได้ไม่แก่ก็ได้เจ็บก็ได้ไม่เจ็บก็ได้ตายก็ได้ไม่ตายก็ได้ถ้ามีทำอยู่ในหัวใจแล้วทำจะรักษาใจไม่ให้ทุก กับสถานภาพสถานการณ์ต่างๆที่เราอาจจะต้องไปเป็นกันบางทีก็ร่ำรวยกันบางทีก็ยากจนกันแต่ถ้ามีธรรมในใจแล้วจะไม่ทุกเวลายากจนจะไม่ทุกเวลารวยก็เฉยๆไม่ยินดีไม่อยากรวยเวลารวยก็มักจะทำให้จน ก็คือเอาเงินไปแจกคนอื่นเพราะเงินไม่ใช่เป็นตัวดับความทุกข์ตัวไม่ใช่ตัวที่ผลิตความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่จะทำให้ใจทุกข์เวลาเงินหมดคนที่ใช้เงินซื้อความสุขเวลาเงินหมดก็ไม่มี ความสุขซื้อความสุขไม่ได้ความสุขที่ซื้อมาด้วยเงินทองก็หายไปหมดพอได้มาแล้วมันก็หายไปซื้ออะไรมาก็สุขตอนที่ซื้อแล้วมันก็หายไปต้องซื้อใหม่ต้องหาความสุขใหม่อยู่เรื่อยๆแต่ความสุขจากธรรมนี่เป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อไม่ต้องใช้ร่างกาย เป็นเครื่องมือซื้อใช้ทาเป็นเครื่องมือเราจรึงต้องมาฟังธรรมเพื่อเราจะได้รู้จากวิธีทำใจให้เราพ้นทุกข์ทำใจให้มีแต่ความสุขถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงกำหนดวันพระไว้ญาติโยมก็จะไม่เข้าวัดกันซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เป็นแล้ว เพราะว่าเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปวันพระกับวันหยุดของญาติโยมไม่ตรงกันเสียแล้วสมัยก่อนวันหยุดกับวันพระนี่จะตรงกันเพราะสมัยก่อนเราใช้วันพระเป็นวันหยุดแต่สมัยนี้เราติดต่อกับต่างประเทศเราต้องทามาค้าขายกับต่างประเทศแล้วต่างประเทศเขาถือวันหยุด ทำงานเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ส่วนเรายังถือวันพระตามเดิมอยู่วันพระมันไม่ได้ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์เสมอไปวันพระมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะมันใช้ดวงจันทร์เป็นตัวกําหนดนวันขึ้นแรงแปดค่ำสิบห้าค่ํำอย่างวันนี้วันแรมสิบห้าค่ำ วันนี้คราวนี้ตรงกับวันอังคารเดี๋ยวเดือนหน้าแรงสิบห้าค่ำก็ไม่ตรงกับวันอังคารมันเลื่อนไปจากอังคารก็ไปเป็นพุธจากพุธก็ไปเป็นพระรหัสเปลี่ยนไปเรื่อยดังนั้นถ้าเราทำงานหยุดวันเสาร์อาทิตย์เ<ม>ช่นวันนี้เราก็ต้องไปทำงานกัน พวกที่ทำงานก็ไม่สามารถมาวัดมาฟังธรรมได้เขาก็เลยตัดสิทธ์ตัดโอกาสอันยอดตัดมงคลให้กับตัวเขาเองเพราะว่าการฟังธรรมนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทรงตัดมาการเลนะธรรมสวนังการฟังธรรมตามการตามเวลาตามวันพระนี้เป็นมงคลอย่างยิ่ง ก็จะได้ยินได้ฟังทำรรที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนทำรรที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วถ้าได้ฟังซ้ําอีกก็จะเกิดความเข้าใจดียิ่งขึ้นไปจะทำให้หายสงสัยในเรื่องธรรมต่างๆได้เช่นหายสงสัยในเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรลกเรื่องสวรรค์เรื่องกรรมเรื่องเวียนว่ายตายเกิด เรื่องมรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้มีจริงหรือไม่ถ้าไม่ได้ฟังธรรมจะไม่รู้จะสงสัยว่าสวรรค์มีจริงหรอสวรรค์มีอยู่ที่ไหนนรกมีอยู่ที่ไหนตายแล้วใครไปเกิดใหม่ตายแล้วก็เห็นแต่ร่างกายนี้มันกลายเป็นขี้เท่าไปแล้วอะไรไปเกิดใหม่ ถ้าไม่ฟังธรรมจะไม่รู้จะไม่เชื่อจะไม่เชื่อบุญเชื่อบาปจะไม่เชื่อว่าทำบุญแล้วจะได้ไปสวรรค์ทำบาปแล้วจะได้ไปนรกไปอบายพราะไม่รู้ว่าใครไปแล้วนรกอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อบายอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้สวรรค์อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ถ้าคิดว่าอยู่บนฟ้าเขาก็ส่งจรวจส่งเครื่องบินไปค้นหา ก็มีแต่เมฆอยู่บนฟ้ามีแต่เมฆมีแต่ดวงจันทร์ดวงดาวแต่สวรรค์ไม่เห็นมีถ้าลงไปใต้ดินก็เจาะลงไปก็มีแต่น้ำมันมีแต่แก๊สแต่ไม่มีนารกไม่มีอบายนี่ถ้าถ้าไม่ฟังธรรมก็จะไม่รู้แต่ถ้ามาฟังธรรมแล้วก็จะรู้ พระพุทธเจ้าจะสอนจะอธิบายให้เรารู้ว่าใครไปเกิดใครไปใครใครไปรับผลบุญผลบาปผู้ผู้ที่ไปรับผลบุบาปรับผลบุญผลบาปนี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้มาจากดินน้ำลมไฟพอมันตายไปมันก็กลับไปสู่ดินน้ำลมไฟ มันไม่ไปสวรรค์มันไม่ไปนรกผู้ที่จะไปสวรรค์ไปนรกก็คือผู้ใช้ร่างกายนี้ผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆผู้รู้ว่าร่างกายทาตามคำสั่งหรือไม่ผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งนี้ไม่ใช่เป็นร่างกายเป็นผู้ที่มารับร่างกายจากพ่อแม่ พอแม่ของเราเป็นผู้สร้างร่างกายให้กับพวกเราแต่เราไม่ได้เป็นลูกของพ่อของแม่ร่างกายนี้เป็นลูกของพ่อของแม่เราเป็นเพียงผู้มารับร่างกายจากพ่อจากแม่ของร่างกายอันนี้เราก็คือผู้รู้ผู้คิดเนี้เราคิดว่าเราเราคิดว่าเราสั่งเราคิดว่าเราสั่งให้ร่างกายทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ เราก็เลยคิดว่าเราเป็นผู้สั่งความจริงผู้คิดเป็นผู้สั่งแต่ผู้คิดก็ไปคิดว่าเราเป็นผู้คิดเป็นผู้สั่งก็เลยมีเราขึ้นมาผู้รู้ก็เป็นเพียงผู้รู้ผู้รู้ผู้คิดก็กลายเป็นเราไปเราเป็นผู้รู้ผู้คิดเพราะเราคิดอย่างนั้นถ้าเราไม่คิดอย่างนั้นมันก็ไม่เป็น ถ้าเราค one of one of people, ิด <affairs> ว <laughs> ่าเราไม่ได้เป็นผู้รู้เป็นผู้คิดเราเป็นเพียงผู้ที่ผู้คิดคิดขึ้นมาว่าเป็นเราพอคิดว่าเราเป็นเราก็เป็นเราขึ้นมาพอไม่คิดว่าเป็นเรามันก็ไม่เป็นเราขึ้นมาแมันอยู่ที่ความคิดนั่นเองแต่ตอนนี้ก็เอาแค่คิดว่าผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นเราก่อนก็แล้วกันผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นผู้คิดให้ร่างกายทำอะไรต่างๆ เป็นผู้รับมารับร่างกายเพื่อจะได้ใช้ร่างกายไปทำสิ่งที่ผู้รู้ผู้คิดอยากทำผู้รู้ผู้คิดอยากทำอะไรก็อยากดูอยากฟังอยากสัมผัสกับรูปเสียงต่างๆจะดูจะฟังก็ต้องมีตามีหูถ้าไม่มีตามไม่มีหูก็ดูไม่ได้ฟังไม่ได้ก็เลยต้องมามีร่างกาย เมือนเราต้องเดินทางไปไหนมาไหนเราก็ต้องมีรถถ้าเราต้องมีรถเราไปไหนล่ะเราก็ต้องไปซื้อรถกัน <men> ใช่ไหม <men> ไปที่ไหนเขาขายรถเราก็ไปที่นั่นอยากได้ยี่ห้อไหนก็ไปที่บริษัทนั้นอยากได้โตโยต้าก็ต้องไปที่บริษัทโตโยต้าอยากได้ฮอนด้าก็ต้องไปบริษัทฮอนด้าอยากได้เบนซ์ก็ต้องไปบริษัทเบนซ์ถึงจะมีรถให้เราซื้อ เราอยากได้ร่างกายของมนุษย์เราก็ต้องมาที่มีที่เขาขายร่างกายของมนุษย์เราก็ต้องมาโลกมนุษย์มาที่เขามีการผลิตร่างกายของมนุษย์ขึ้นมาใครที่เขาผลิตร่างกายของมนุษย์ก็คือสามีภรรยาหรือหญิงชายที่เขาอยู่ร่วมกันร่วมหลับนอนกันเราเข้า <ri> ร่วมหลับนอนกันเขาก็ผลิต ร่างกายใหม่ขึ้นมาพอเขาผลิตเราก็เลยมารับร่างกายอันนี้ไปใครมาก่อนใครมีบารมีมากกว่าก็เอาไปเหมือนคนเวลาไปซื้อรถใครมีเงินมากกว่าก็เอาไปก่อนถ้าคนไปดูรถแล้วแต่เงินไม่พร้อมต้องไปต้องไปติดต่อกับธนาคารก่อนขออนุ ญ, ญาตขอกู้ธนาคารก่อน คนที่เขามีเงินสดเขาจ่ายป๊อปเขาก็เอาไปก่อ น, เ, นเวลามาเกิดมาได้ร่างกายมันก็ต้องอยู่ที่บุญใครมากกว่ากันบุญบารมีใครมากกว่ากันก็เอาไปก่อนคนที่มีน้อยกว่าก็ต้องรอคิวแล้วพอได้ร่างกายมาแล้วก็เอาไปทำตามที่ต้องการจะทำพออยากดูอยากฟัง พ่อออกจากท้องแม่มานี้ก็ร้องอยากนะอยากดูอยากฟังพ่อแม่ก็เลยต้องเอาของเล่นมาล่อใจเอาไม่มีของเล่นก็ร้องโวยวายพอมีของเล่นเด็กนอนอยู่บนเตียงยังต้องมีของเล่นเลยเสียงให้ดูมีของให้ดูมีเสียงให้ฟังพอมีตุ๊กตามีของเล่นก็เลยไม่ร้อง เพราะถ้าไม่มีมันจะร้องมันจะทรมานเวลามันอยากดูอยากฟังแล้วมันไม่ได้ดูไม่ได้ฟังเนี่ยมันก็จะรู้สึกหมดเหยียดลำคาญใจนี่คือที่มาของการเป็นมนุษย์ของพวกเราเรามาจากสองที่ผู้รู้ผู้คิดของเรานี่มาจากชาติก่อน ก่อนเราเคยมีร่างกายเหมือนชาตินี้แต่ร่างกายของชาติก่อนมันตายไปเหมือนรถเก่าที่มันพังไปพอรถเก่าพังไปเราก็ต้องไปซื้อรถใหม่เพราะเรายัางต้องใช้รถอยู่เรายัางอยากเดินทางไปไหนมาไหนเราก็ต้องมีรถยนต์เราก็ต้องไปซื้อรถยนต์ม่ ร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนรถยนต์ของเราเราอยากดูอยากฟังเราก็ต้องมีร่างกายไว้ดูไว้ฟังอยากกินอยากดื่มก็ต้องมีร่างกายถึงจะกินจะดื่มได้ถึงจะดูจะฟังได้ถึงจะไปเที่ยวตามที่ต่างๆได้นี่คือที่มาของตัวของชีวิตเราในขณะนี้ เร า, ม, ามีสองส่วนมาจากสองที่ร่างกายมาจากพ่อแม่พ่อแม่เอาดินน้ำลมไฟมาปั้นให้ร่างกายเราเกิดขึ้นมาดินน้ำลมไฟในร่างกายของพ่อแม่เนี่ยที่เอาน้ามาคนละเอยดมาผสมกันแล้วก็จะเกิดเป็นร่างกายขึ้นมาแล้วก็จะมีเราผู้รู้ผู้คิด ที่กำลังหาร่างกายอยู่อาได้จังหวะได้คิวของเราเราก็จะได้รับร่างกายอันนี้ไปแล้วพอออกมาออกจากท้องแม่มาเราก็จเจริญเติบโตด้วยดินน้ำลมไฟข้าวที่เรากินผักที่เรากินเนื้อที่เรากินนี่ก็มาจากดินทั้งนั้นน้ำที่เราดื่มก็เป็นธาตุน้ำ ลมที่เราหายใจก็เป็นธาตุลมความร้อนจากแสงอาทิตย์ก็เป็นธาตุไฟถ้าร่างกายเราขาดธาตุใดธาตุหนึ่งก็อยู่ไม่ได้เช่น <Yeah. S 1> ถ้าไม่มีดวงอาทิตย์ยโวงนี้จะหนาวจนกระทั่งไม่มีอะไรจะอยู่ได้ต้นไม้ก็ตายหมดคนก็ตายหมดถ้ามันไม่มีแสงอาทิตย์เลย ไปอยู่ทะเลทรายก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันทะเลทรายก็ไม่มีน้ําอยู่ไปก็ตายไปอยู่ในทะเลก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีดิน น, นี่คือเรื่องของร่างกายนี้ต้องมีธาตุทั้งสี่ครบบริบูรณ์ถึงจะอยู่ได้ต้องมีธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟ ธาตุดินก็กินด้วยอาหารมาจากมาทางอาหารข้าวกับขนมปังฝลังก็กินขนมปังมันก็มาจากข้าวเหมือนกันเรากินข้าวมันก็มาจากข้าวมาจากดินเหมือนกันทุกคนในโลกนี้ต้องมีต้องกินดินกันต้องกินธาตุดินต้องดื่มธาตุน้ำต้องสูดธาตุลมเข้าไปแล้วก็ต้องมีธาตุไฟ มีอุณหภูมิที่เหมาะสมถึงจะอยู่ได้แต่ก็อยู่ได้ไม่นานถึงแม้ว่าจะมีครบธาตุทั้งสี่แ่ธาตุ ท, า ท, ทั้งสี่มันก็จะรวมกันอยู่ไม่นานอย่างมากก็ไม่เกินร้อยปีร้อยปีมันก็จะแยกธาตุกันธาตุดินก็กลับไปหาดินธาตุน้ำก็กลับไปหาธาตุน้ำธาตุลมก็กลับไปหาธาตุลม ธาตุไฟก็กลับไปหาธาตุไฟทาตรู้คือใจผู้รู้ผู้คิดนี้ก็ไปหาธาตุสีใหม่หาร่างกายอันใหม่ถ้ายังมีความอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นยังอยากเสพยังสำยังอยากสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะอยู่ก็ต้องไปมีร่างกายอันใหม่และเวลาที่มา หารูปเสียงกลิ่นรสนี้ก็หาด้วยสองวิธีด้วยกันคือวิธีที่ไม่ทําบาป ก, กับวิธีที่ทําบาปถ้าหาได้โดยไม่ต้องวิธีไม่ทําบาป ก, ก็ไม่ทําบาปเช่นเกิดมาร่ำรวยมีเงินทองนี้ก็ไม่ต้องไปทําบาปอยากได้อะไรก็มีเงินซื้ออยากไปเที่ยวก็มีเงินเที่ยวก็ไม่ต้องทาบาป หรือว่าได้เรียนหนังสือพ่อแม่ส่งไปเรียนพอโตขึ้นก็มีงานทํามีรายได้ก็ไม่ต้องทํำบาปเพราะมีมีเงินจากการทํางานทํางานที่สุดจริตก็ไม่ต้องทําบาเพื่อที่จะหาลูกเสียงกิ่นลถมาเสกแต่ถ้าเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนพ่อแม่ไม่มีปัญญาส่งเสียให้ร่ำเรียน ให้ทำงานตั้งแต่เด็กแต่ก็ไม่ชอบทาชอบเที่ยวชอบเล่น <Yeah. S 1> เวลาอยากจะเที่ยวอยากจะเล่นก็ต้องไปขโมยเงินของคนอื่นมาเที่ยวมาเลน <Yeah. S 1> ่นนี่ก็ไปทำบาส <Yeah. S 1> นี่คือการทำบาป ก, ก็คืออะไรมีอยู่ห้าข้อฆ <Yeah. S 1> ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดดื่มสุรายาเมา <Yeah. S 1> เวลาอยากจะ ทำอะไรก็อาจจะต้องไปขโมยไปขโมยมันรืออาจจะต้องไปฆ่าถ้าอยากจะกินอาจจะไปฆ่าเป็ดฆ่าไก่มากินถ้ามีเงินก็ไม่ต้องฆ่าไปซื้อเป็ดไก่ที่ตายแล้วเขามีขายก็ไม่ต้องทำบาปพวกที่มีเงินมากนะก็อาจจะได้ทำบุญ พอมีเงินเหลือเก็บไว้ก็ไม่รู้จะทำอะไรเห็นคนที่รู้จักเดือดร้อนก็อยากจะช่วยเหลือกันมีเพื่อนเขายากจนกว่าเราเขาไม่มีเงินเหมือนเราเวลาไปเที่ยวเราก็จ่ายเพื่อนไม่ต้องจ่ายอย่างนี้ก็เรียกว่าทำบุญละได้ทำบุญละได้ทำให้คนอื่นมีความสุขงั้นในการหาในการมาเกิดแล้วมาหาเงินหาทอง ความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายนี้ก็บางทีก็ไม่ต้องทำบาปบางทีก็ต้องทำบาปเพราะยังหักห้ามจิตใจไม่ได้เวลาไม่มีเงินแต่อยากจะเที่ยวอยากจะซื้อของก็ต้องไปขโมยเพราะความยังยังหยุดความอยากเที่ยวไม่ได้อยากซื้อของต่างๆไม่ได้แต่ถ้ามีกำลังใจ ที่จะหากข้ามความอยากได้ก็อาจจะไม่ต้องทำบาปก็ได้เอ็นอยากจะเที่ยวแต่ไม่มีเงินเที่ยวก็เอาัากข้ามจิตใจรอไปก่อนหาเงินไปก่อนไปทำงานไปทำอะไรหาเงินให้ได้ก่อนหาเงินโดยที่ไม่ต้องไปทำบาปให้ได้ก่อนพอได้แล้วก็ค่อยไปเที่ยวค่อยใช้เงินอย่างนี้ก็ก็ไม่ต้องทำบาป แต่ถ้าหาักข้ามใจไม่ได้อยากแล้วอยากจะได้เร็วๆออตอนนี้ไม่มีเงินก็ต้องหาช่องทางป้นดีไหมป้นธนาคารดีไหมปนร้านเซเวนดีไหมร้านเซเว่นนี้เด็กๆเปิดตอนเด็กๆไม่มีใครปนโดนสองครับเออนั่นล่ละ เราอยากจะใช้เงินก็อยากจะไปเที่ยวอยากจะซื้อของพวกติดยาเสพติดเนี่ยพออยากเสพแล้วมันทนมันทรมานใจไม่มีเสพแล้วมันทรมานใจมันกลยยอมยอมยอมทำบาปถึงแม้จะถูกจับขังคุกก็มันก็ยอมแต่มันไม่ยอมทรมานมันไม่ยอมทนกับความทรมานใจเวลาเกิดความอยากขึ้นมา นี่ก็คือเรื่องของผู้รู้ผู้คิดพอได้ร่างกายมาแล้วก็ใช้ร่างกายไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายตาหาโดยวิธีไม่ทําบาปไม่ได้ก็ต้องทําบาปพวกที่ไม่ต้องทาบาปพวกที่มีเงินเหลือเฟือก็มีโอกาสได้ทําบุญมีใครเดือดร้อนพื้นสูงคนรู้จักเดือนร้อน ก็ช่วยเหลือกันไปอย่างนี้ก็ได้ทําบุญแล้วการทําบุญไม่จําเป็นจะต้องมีวัดเท่านั้นถึงจะทําบุญได้ขอให้มีคนเดือดร้อนแล้วเราค่อยเราช่วยเหลือเขานี้เราก็ได้ทําบุญแล้ว เ, เห็นขอทานนี้บางทีเราก็สงสารเขาเราก็ให้เงินเขาไปอันนี้ก็เรียกว่าได้ทําบุญแล้วทําทานแล้วเวลาทําบุญนี้ความรู้สึกมันจะดี ใจจะมีความสุขใจส่วนเวลาทำบาปนี้ใจมันจะไม่ดีรู้สึกไม่ดีมันจะไม่สบายใจมันจะกังวลมันจะวิตกมันจะหวาดกลัวกลัวว่าเขาจะรู้กลัวว่าจะถูกเขาจับไปลงโทษนี่แหละคือบุญกับบาปแล้วผลของบุญกับบาปก็เกิดขึ้นแล้วในใจเราผลของบุญคือความสุขใจนี้ เราก็เรียกว่าสวรรค์ทุกความทุกของใจเราก็เรียกว่าอบายเรียกเรียกว่านรก ok. เวลาเราทำบาปแล้วใจเราจะทุกข์ใจเราจะร้อนเวลาทำบุญแล้วใจเราจะสุขใจเราจะเย็นนี่แหละแล้วเราก็สะสมความความสุขความเย็นหรือสะสมความทุกข์ความร้อนไปในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ วันไหนทาบาปเราก็สะสมความร้อนไว้วันไหนทาบุญเราก็สะสมความเย็นไว้เหมือนใจเรามีสองตู้มีตู้เย็นกับตู้ร้อนเวลาทำบาปก็เอาใส่เข้าไปในตู้ร้อนเวลาทาบุญ ก, ก็ใส่ไปในตู้เย็นแล้วพอเวลาเราตายไปนี่ไอ้ตู้สองตู้นี้มันก็จะมาแข่งกัน ตู้ไหนมีกำลังมากกว่ามันก็จะทำให้ใจเราเป็นอย่างนั้นถ้าตู้ร้อนมันมีกำลังมากกว่าตู้เย็นใจเราก็จะร้อนถ้าตู้เย็นมีกำลังมากกว่าตู้ร้อนใจเราก็จะเย็นถ้าใจเย็นเราก็จะอยู่ในสวรรค์สวรรค์คืออะไรก็สวรรค์ก็คือเวลาที่เรานอนหลับแล้วฝันไปนี่แหละแล้วเราฝันดีเวลาฝันดีมีความสุข嘛 ผลมอได้ไปเที่ยวที่นั่นได้ไปทำนู่นทำนี่ไปดูไปฟังไปกินไปดื่มอะไรต่างๆนั่นหละคือสวรรค์ของเราเวลาเรานอนหลับนี่เราก็ไปสวรรค์ชั่วคราวเหมือนตายชั่วคราวเแล้วเวลาเรานอนหลับที่เราไม่ได้ใช้ร่างกายร่างกายเหมือนคนตายนอนเหมือนคนตายเลยเพียงแต่ยังมีลมหายใจท่านั้นแต่ไม่ได้ทำอะไรเหมือนกับคนตาย อนตายก็นอนเฉยเฉยไม่ได้ทําอะไรเพียงแต่ไม่มีลมหายใจเท่านั้นเองนัง้นเวลานอนหลับกับเวลาตายจริงนี่เหมือนกันเองแต่นอนหลับนี้ตายชั่วคราวตายไม่กี่ชั่วโมงพอตื่นขึ้นมาใจแล้วก็กลับมาที่ตาหูจมูกลิ้นกายมารับรูปเสียงกลิ่นแล้วก็เหมือนกับปิดตู้เย็นชั่วคราวปิดตู้เย็นตูร้อนไว้ชั่วคราว ถ้าตู้ร้อนไม่มีความร้อนเก็บไว้เลยมันก็ไม่มีความร้อนมีถ้าเราทำแต่บุญเราก็จะมีแต่ความเย็นเก็บไว้ในตู้เย็นอย่างเดียวความร้อนไม่มีเก็บไว้พอเวลานอนหลับก็เหมือนเราเปิดตู้สองใบนี้ตู้ใบไหนมีกำลังมากกว่ามันก็จะเป็นตัวทำให้ใจเราร้อนหรือเย็นใจเราเย็นแล้วก็ฝันดีใจเราร้อนเราก็ฝันร้ายในบางคืนเราก็ฝันร้าย ถ้าเราฝันสลับกันบางคืนฝันร้ายบางคืนฝันดีก็แสดงว่าบางวันตูต้้ร้อนมันไม่มีมากกว่าตู้เย็นบางวันตู้เย็นมีมากกว่าตู้ร้อนเพราะว่าทุกวันเราก็ยังทาบุญทาบาปสลับกันไปแล้วแต่ว่าเราจะทำอันไหนมากกว่ากันนี่คือนรกสวรรค์เราสามารถไปถึงนรกสวรรค์ได้ในขณะที่เรายังไม่ตาย ในขณะที่เรามีร่างกายตอนที่เราตื่นนี่เราก็มีนรกสวรรค์อยู่แล้วเวลาใดที่ใจเรามีความสุขสบาย coffee, three, เวลานั้นเราก็อยู่ในสวรรค์เวลาใดที่ใจเรามีความทุกข์มีความรุ่มร้อนจิตใจ <Yeah. S 1> เวลานั้นเราก็อยู่ในอบายอยู่ในนรกแล้ว <Okay. S 1> แล้วอบายกับนรกนี้มันไม่ได้เกิดจากการทำบาปเพียงอย่างเดีย ว, <Okay. S 1> วการทำตามกิเลสมันก็ทำให้เกิดความทุกข์ร้อนขึ้นมาได้ yeah. ใช่ไหมพวกที่ติดยาเสพติดนี่พอติดแล้วพออยากแล้วใจมันจะเหมือนจะตกนรกเวลาไม่ได้เสพ <Yeah. S 1> นั้นความทุกข์ร้อนของใจนี้นอกจากเกิดจากการทําบาปแล้วยังเกิดจากการทําตามความอยากทําตามกิเลสแล้วไม่ได้ทําตามกิเลสเวลากิเลสอยากได้อะไรแล้วไม่ได้นี่มันทุกข์ไหม <Yeah. S 1> บางทีก็โกรธนะ อยากให้ใครเขาทำอะไรให้เราแล้วเขาไม่ทำให้เรานี่เราจะโกรธขึ้นมาใจเราจะทุกข์ขึ้นมาใจเราจะร้อนอยิ่งความทุกข์ความร้อนใจนี่มันเกิดได้สองทางเกิดจากการทำบาปและเกิดจากการทำตามกิเลสแล้วไม่ได้ดังใจอยากอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดั ง, ดงใจอยากก็จะทุกข์แต่ถ้าเราไม่อยากเราก็จะไม่ทุกข์ ถ้าเราไม่อยากให้เขาทำอะไรให้เราเราจะไม่ทุกข์เขาจะทำหรือไม่ทำเราจะไม่ทุกข์อย่างพ่อแม่นี่ชอบทุกข์กับลูกก็เกินใช่ั้มทุกข์เพราะอะไรอยากให้ลูกดีพอลูกไม่ดีก็ทุกข์นี่ก็มันตกนรกทั้งเป็นล่ะขณะที่มีชีวิตอยู่ตกนรกด้วยความอยากใจทุกร้อนขึ้นมาทุกข์ขึ้นมาด้วยความอยาก พ่อโง่พ่อไม่รู้ว่าลูกเป็นอย่างนี้อยากจะให้ลูกเป็นอย่างนั้นลูกเป็นส้มอยากจะให้มันเป็นกล้วยอยากว่าจะมันตายมันก็ไม่เป็นหรอกเคยอยากให้ส้มเป็นกล้วยไหมคนที่อยากจะให้ส้มเป็นกล้วยแสดงโ ง, ง่หรือเปล่าไม่รู้ว่าเป็นไปไม่ได้ลูกมันมีนิสัยอย่างนี้อยากให้มันเป็นอย่างนั้นได้ยังไง เนี่ยมันทุกข์ก็เพราะว่าเราโง่ไปอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นแต่ลูกเขาเป็นอย่างนี้ก็ทุกข์กับเขาอยากให้สามีอยากให้ภรรยาก็เหมือนกันอยากใหเ <dimensional> เเ้เขาเป็นอย่างนั้นเขาไม่เป็นเขาเป็นอย่างนี้ก็ทุกข์อีกไม่อยากให้เขาดื่มโุดาเขาชอบดื่มสุดาก็ไม่รู้หรือว่าเขาเป็นกล้วยไม่ได้เป็นสม้ม เราจะให้เขาเป็นส้มได้ยังไงก็ให้เขาเป็นกล้วยไปสิเขาอยากจะดื่มโซลาก็ปล่อยเขาดื่มไปแลราไม่เดือดร้อนเท่าหน่อยเขาตายก็เราก็ไม่ได้ตายเลยกับเขาเท่าไหร่แต่ที่เราเดือดร้อนเพราะเราพึ่งตัวเองไม่ได้เราไปพึ่งเขานี่สิพึ่งเขาก็กลัวเขาตายพอเขาตายแล้วเราจะไม่มีที่พึ่งไม่ใช่อะไรไม่มีแฟนก็ดอนคนเดียวก็เหงาอีกก็เลยกลัวเขาตายก็เลยไม่อยากให้เขา ตายเร็วไม่อยากให้ก็เดื่ดร้นชราควาจริงเราไม่ได้รักเขาหรอกเรารักตัวเราเรากลัวว่าเราจะทุกข์ถ้าไม่มีเขาไม่ได้เป็นเพราะว่าเรารักเขาหรอกเรากลัวว่าเดี๋ยวเขาตายไปเราเดือดร้อนเราต้องไปหาแฟนใหม่ <c oughs> ก่อนจะได้แฟนใหม่มามันเหนื่อย <c oughs> ต้องไปฟิตร่างกายใหม่ <c oughs> ต้องไปทำเเผาทำผมไปแต่งเนื้อแต่งตัวใหม่ เวลามีแฟนแล้วสบายไม่ต้องแต่งตัวแนละ้วสังเกตดูคนที่มีแฟนก็ไม่ค่อยแต่งตัวเท่าไหร่แต่พอแฟนตายไปนี่เดี๋ยวต้องกลับฟิตใหม่ถ้าอยากจะได้แฟนใหม่เดี๋ยวก็ต้องแต่งหน้าทาปากทำเเผ า, าทำผมใหม่มิฉเดี๋ยวจะหาแฟนไม่ได้นี่ก็คือเรื่องของความอยากความอยากก็ทำให้เราตกนรกทั้งเป็น การทำบาปก็ทำให้เราตกนรกทั้งเป็นนี่งหละคือนรกสวรรค์แล้วพอเวลาตายจริงๆมันก็จะมันจะเป็นไปยาวเลยมันไม่เป็นสั้นๆเห็นเรานอนหลับเวลานอนหลับนี่เราไปสวรรค์ไปนรกชั่วแปดชั่วโมงพอตื่นขึ้นมาก็กลับมาสู่โลกมนุษย์สวรรค์นรกก็หยุดหยุดฉายหนังชั่วคราวยังไม่หมดแต่มันไม่มีโอกาสฉาย มันจะใช้เมื่อต่อเมื่อเราไม่ได้ใช้ร่างกายตอนที่เราไม่ได้ใช้ร่างกายตอนที่เรานอนหลับหรือตอนที่เราตายไปตอนตอ น, ตอนที่ใจไม่มีร่างกายตอนนั้นนรกสวรรค์มันจะออกมาแสดงผลให้เราเห็นแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่านารกกับสวรรค์อันไหนมีกำลังมากกว่ากันบาปกับบุญอันไหนมีมากกว่ากันแล้วมันก็จะไปยาวเลยไปจนกว่ามันจะ นรกกับสวรรค์มันมันพร้อมพอๆกันมันก็เลยทำให้ร้อนก็ไม่ร้อนเย็นก็ไม่เย็นกลางๆเวลาความร้อนกับความเย็นมันเท่ากันนี้มันก็ไม่ร้อนมันก็ไม่เย็นตอนนั้นก็จะเป็นเวลาที่เราจะไปมีร่างกายอันใหม่เพราะว่าหมดความเย็นหมดกำลังความร้อนก็หมดกำลังที่จะทำให้เราอยู่ในสวรรค์หรืออยู่ในนรก เราก็จะมารอคิวรับร่างกายอันใหม่ต่อไปมาเกิดใหม่นี่แหละคือเรื่องของบุญของบาปเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดส่วนเรื่องของมรกผลนิพพานก็คือเรื่องของการหยุดการเวียนว่ายตายเกิดว่าเราสามารถหยุดการเวียนว่ายตายเกิดของใจละของเราได้ถ้าเราหยุดความอยากได้ ว่าความอยากเป็นเหมือนน้ำมันรถถ้าเราเติมน้ำมันรถรถมันก็วิ่งได้อยู่เรื่อยๆถ้าไม่อยากให้รถวิ่งก็อย่าไปเติมน้ำมันเดี๋ยวมันหมดน้ำมันหมดมันก็จอดมันไปไหนไม่ได้อันใดใจเราถ้าไม่อยากจะให้มันไปเกิดก็อย่าก็หยุดความอยากเสียให้ได้อย่าไปเติมความอยากการทําตามความอยากนี่เป็นเหมือนกับการเติมความอยาก เติมน้ำมันให้กับใจเราให้มันไปเกิดใหม่ถ้าไม่เติมความอยากหยุดความอยากมันอยากเราก็ไม่ทําตามความอยากเห็นมันอยากจะสู่บุรีก็ไม่สูบเนี่ยตอไปความอยากสู่บ you hmm. mm ุร hmm. hmm. ีก็หายไปเชื่อไหมอยากไปเที่ยวถ้าไม่ไปเที่ยวต่อไปความอยากเที่ยวมันก็หมดไปถ้าไปเที่ยวเนี๋ยมันก็อยากอีกเที่ยววันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากไปอีก ทุกครั้งที่อยากไปเที่ยวแล้วไม่ไปเดี๋ยวต่อไปความอยากเที่ยวมันจะหายไปแต่มันทํากันยากเพราะถ้าเวลาอยากแล้วใจมันสั่นใจมันทุกข์มันทรมานมันทนไม่ไหวมันก็เลยสู้ความอยากไม่ได้พอเวลาได้ทําตามความอยากแล้วมันหายสั่นชั่วคราวหายทุกข์ชั่วคราวมีความสุขเกิดขึ้นมาชั่วคราว แต่เดี๋ยวไอ้ความอยากใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาอีกเ <Yeah. S 1> น่ยวิธีที่จะทาให้เราสู้กับความอยากได้ก็คือพระพุทธเจ้าบอกต้องมาฝึกทำสมาธิกันก่อนฝึกทำใจให้สงบควบคุมความคิดความอยากให้ได้ <Yeah. S 1> เวลาเกิดความอยากแล้วมันทรมานเราก็หยุดความอยากเสียด้วยสมาธิด้วยสติถ้าเรานั่งสมาธิได้พอจิตสงบความอยากก็จะหยุด พอความอยากหยุดความทรมานก็จะหายไปจะเลิอกอะไรนี้เลือกได้ง่ายถ้าเราสามารถนั่งสมาธิได้ทําใจให้สงบได้พอทุกครั้งที่อยากแล้วเราไม่ทําใจมันสัน่นเราก็ไม่นั่งสมาธิพอนั่งสมาธิใจสงบใจก็หายสัน่นแล้วต่อไปความอยากมันก็จะหายไปทุกครั้งที่มันอยากก็ไม่ไปทําตามความอยากอยากไปเที่ยวก็ไม่ไปไปนั่งสมาธิแทน พอใจสงบความอยากเที่ยวก็หายไปก็อยู่บ้านได้เดี๋ยวสักพักพอจากสมาธิมาพออยากไปเที่ยวอีกก็ทําอย่างนั้นนี่ทำไปจนกว่ามันจะหายอยากทําไปจนกระทั่งมันอยู่บ้านได้ไม่ไปไหนได้เนี่วิธีของพระพุทธเจ้าทําอย่างนี้ถึงต้องฝึกสติก่อนฝึกสมาธิก่อนถึงจะสามารถใช้ปัญญาปัญญาก็คืออะไรก็คือรู้ว่า วิธีกำจัดความอยากก็คือต้องไม่ทำตามความอยาก น, นี่คือปัญญาวิธีที่จะให้ความอยากหมดไปก็คืออย่าไปทำตามความอยากพ อ, อกทำตามความอยากมันไม่หมดทำแล้วมันจะอยากอีกแล้วสิ่งที่เราได้มามันหมดแต่ความอยากไม่หมดนี่มก็ลึกสู่บุหรี่เดี๋ยวหมดซองแล้วก็ต้องไปซื้อใหม่ถ้าไม่ซื้อมันก็มันก็ทรมานทนไม่ได้มันก็ต้องไปซื้อใหม่ ซื้อมากี่ซองมันก็หมดทุกอย่างมันต้องหมดเพราะของในโลกนี้มันเป็นของชั่วคราวรูปเสียงกลิ่นรสนี่เป็นของชั่วคราวไปดูหนังปั๊บมันก็หมดไปและวพอหนังจบมันก็หมดแล้วความสุขที่ได้จากการดูหนังมันก็หมดะ แ, แต่ความอยากดูหนังมันยังไม่หมดก็ต้องไปหาโรงใหม่ดูอีกละดูกี่โรงมันก็ไม่หมดถ้าอยากให้มัน หมดก็คืออยากไปดูทุกครั้งอยากจะไปดูก็ไม่ไปดูมันไปนั่งสมาธิแทนไปทำใจให้สงบแล้วทุกครั้งถ้าเราทำแบบนี้ได้ความอยากมันจะสู้เราไม่ได้มันจะยอมแพ้เรามันจะมาชวนเราเราก็ไม่ไปมันมเมื่อเราไม่ไปมันก็เลิกชวนเราไม่เชื่อลองลองดูสิถ้าเพื่อนมันชวนเราไปไหนแล้วไม่ไปสักพักเนี่ยรับลองได้มันไม่มาชวนเราแล้ว ใช่ไหมชวนมาแล้วก็ไม่ไปชวนกี่ครั้งก็ไม่ไปเหมือนเราเนี่ยมา น, นิมนต์เรากี่ครั้งก็ไม่ไปเดี๋ยวนี้ไม่มีใครมานิมนต์แล้วมั้ยถ้าเรารับนิมนต์เนี่ยว่าตายเชื่อไหมจะไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้คุยกันแตอนนี้ก็จะไปนิมนต์อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นี่ขนาดรู้ยังยังนานๆก็ยังมีแวบมาทีหนึ่งเมื่อไม่กี่วันก่อนก็จะมาลองเชิงดูมาขอนิมนต์อีก ไม่ไปนะถ้าเราลองไม่ไปทำตามความอยากไม่ว่าของเราหรือของคนอื่นแล้วเราไปเขาก็ไม่มายุ่งกับเราถ้าเขาอยากได้อะไรจากเราเราไม่ให้เขาแล้วเดี๋ยวเขาก็ไม่มาหาเราหรอกใช่ไหมนะถ้าเราให้เขาเดี๋ยวมาอยู่เรื่อยๆวันนี้ขอบาทหนึ่งเดี๋ยวพวกนี้มาขอห้าบาทนะถ้าให้กเดี๋ยวบันเลนนี้ก็มาสิบบาทนะขอไปเรื่อยๆ ถ้าเราไม่คำเดียวเดี๋ยวก็ไม่มาแล้วจบความอยากก็แบบนี้ทั้งนั้นความอยากถ้าเราไม่ทำตามความอยากต่อไปมันก็ไม่มาชวนเรามันจะไม่ชวนเราไปไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรแล้วอ้อชวนไปทีไยก็ไม่ไปสักทีชวนมาทีไรก็ไปนั่งสมาธิแทนเงี้ยอา่านี่แหละวิธีง่ายๆวิธีที่เราจะอยู่อย่างมีความสุขแล้วต่อไปเราไม่ต้องไปทำงานหาเงินให้เหนื่อยยาก มาบวชเป็นพระเป็นชีสบายกว่าไม่ต้องทำงานข้าวก็ฟรีน้ำก็ฟรีบ้านก็ฟรีภาษีก็ไม่มี <c oughs> มีความสุขตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่ตื่นจนหลับ <Yeah. S 1> ถ้าไม่มีความอยากแล้วมันสุขจิตมันสุขจิตมันจะสงบที่มันไม่สงบมันวุ่นวายก็เพราะความอยากเนี่ยพออยากแล้วมันมันต้องดื่นนะัหมต้องลื่นหาสิ่งที่อยากได้ อยู่เฉยๆไม่เป็นสุขอยู่แล้วกังวนกังวายเหมือนนั่งอยู่บนบนบนเตาไฟนั่งไม่ได้นั่งไม่ติดต้องไปทำตามความอยากพอได้ทำตามความอยากมันก็มันก็อยู่นิ่งได้ชั่วขาวอยู่เป็นสุขในชั่วขาวจนกว่าความอยากใหม่จะโผล่ขึ้นมาเอความอยากใหม่โผล่ขึ้นมาก็ต้องไปอีกแล้วต้นร้อนอีกแล้วเหมือนนั่งบนเตาไฟ อยู่ไม่เป็นสุขนี่แหละคือธรรมะที่พระเจ้าสอนถ้าเราสามารถหยุดความอยากได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดมาผลนิพพานก็คือขั้นขั้นตอนที่เราตัดความอยากต่างๆไปขั้นตอนที่หนึ่งพระโสดาบันก็ตัดความอยากในความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้พอตัดได้ก็จะกลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดชาติ พอยังมีความอยากใช้ร่างกายมีแฟนอยู่ยังตัดความอยากมีแฟนไม่ได้พอขั้นที่พอขึ้นขั้นที่สองตัดได้ครึ่งหนึ่งตอนต้นนี้อยากเรมีแฟนตลอดเวลาแต่พอได้พิจารณาร่างกายของแฟนว่าไม่สวยไม่งามมีตับไตไส้พุงมีลำไส้มีปอดมีกระดูกมีอะไรมีอุจจาระมีปัสสาวะ พอเวลาไดเห็นร่างกายของแฟนไม่ไม่สวยไม่งามก็ลดความอยากได้ yeah. Yeah. ถ้าลดความอยากได้ครึ่งหนึ่งท่านก็บอกว่าจะกลับมาเกิดอีกเพียงชาติเดียว <Yeah. S 1> แต่ยังเกิดอยู่เพราะยังมีความอยากมีแฟนอยู่แต่มีอยู่น้อยและ yeah. Yeah. แล้วถ้าสามารถพิจณาดูร่างกายของแฟนทุกครั้งเวลาอยากจะมีแฟนก็เห็นของมีตับมีไตมีลำไส้มีอะไรต่างๆที่อยู่ในร่างกาย ที่ไม่สวยงามที่ไม่น่าดูเนี่ยทุกครั้งที่อยากจะมีแฟนแล้วเห็นมันก็จะหยุดความอยากได้ถ้าหยุดความอยากมีแฟนได้ก็ไม่มีความอยากที่จะต้องมไม่ต้องมีร่างกายต่อไปเพราะไม่รู้จะเอาร่างกายไปใช้อะไรอยากจะไปอยากจะอยู่ก็ไม่มีความอยากอยู่แล้วอยากจะไม่แก่ก็ไม่มีแล้วอยากจะไม่เจ็บก็ไม่มีแล้วอยากจะไม่ตายก็ไม่มีอยากจะมีแฟนก็ไม่มี พอถึงขั้นที่สามนี้เรียกว่าขั้นภาณาคามีก็หมดความอยากทางร่างกายโดยสิ้นเชิงไม่ต้องกลับมามีร่างกายอีกต่อไปนี่เรียกมากผลนิพานมากก็คือการพิจารณาธรรมต่างๆว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เช่นร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะถ้าอยากก็เดี๋ยวมันตายมันก็ต้องกลับมามีใหม่เพราะเรายังอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บไม่ตายอยู่ ก็มัมีร่างกายอันใหม่เพื่อเราจะได้ใช้ร่างกายอันใหม่นี้ไปเที่ยวไปกินไปดื่มนั่นเองเราถึงไม่อยากแก่กันไม่อยากเจ็บกันไม่อยากตายกันแต่ถ้าเราตัดความอยากนี้ได้เราก็จะตัดการกลับมาเกิดให้น้อยลงไปเหลือไม่เกินเจ็ดครั้งเพราะภายในเจ็ดครั้งนี้เราจะตัดความอยากที่เหลือคือความอยากมีแฟนได้ พ่าเราจะพิจารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆพิจารณาร่างกายว่าไม่สวยไม่งามอยู่เรื่อยๆคิดถึงตับไตไส้พุงคิดถึงปอดถึงตับถึงหัวใจถึงอะไรต่างๆที่ไม่น่าดูในร่างกา ย, เ, ย mm hmm. เคยไปดูร้านขายหมูไหมร้านขายหมูขายอนะไรที่เขาขายตับไตไส้พุงเนี่ยลองนึกเหมือนกันเนะ่ยของเราที่อยู่ในร่างกายเรานี้ก็แบบนี้ลนะ่ะ mm hmm. ถ้าเราลองลองแหวกมันออกมาดู เราแบบเห็นข้างในบ่อยๆต่อไปมันจะเบื่อมันจะไม่มีความอยากได้ร่างกายของใครมาเป็นแฟนเมื่อมันไม่มีความอยากมีแฟนแล้วมันก็จบไม่ต้องมีร่างกายต่อไปแต่ยังมีความอยากเป็นใหญ่เป็นโตยังมีอยู่ยังอยู่ในใจยังถือตัวอยู่ความอยากนี้ต้องอีกระดับหนึ่งขั้นสุดท้ายคือขั้นพาาระอรหันต์ขั้นพระนาคามินี้หยุดการกลับมาเกิด ในโลกของมนุษย์ได้ไม่ต้องมาเป็นมนุษย์อีกแต่ยังต้องไปเป็นพรหมอยู่ยังอยากเป็นผู้ยิ่งใหญ่ยังอยากมีความสุขของพรหมอยู่พรหมนี้มีความสุขที่สูงสุดในบรรดาโลกของการเรียนว่ายตายเกิดแต่ก็เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่เสื่อมได้ถ้าติดก็จะทุกข์เหมือนติดยาเสพติดพวกที่ติดฌานติดสมาธินี่ก็ เป็นเหมือนติดยาเสพติด mm hmm. ก็ยังไม่หดุจยังต้องกลับมาเป็นพรมอยู่เรื่อยๆ mm hmm. ถ้าไม่อยากจะกลับมาเป็นพรม mm hmm. ก็ต้องตัดความอยากในสิ่งเหล่านี้ตัดความอยากเป็นใหญ่เป็นโตตัดอัตราตัวตนให้มันหมดไปอัตราตัวตนก็คือความคิดนี่เองพอเราคิดมึงก็เกิดตัวเราขึ้นมาพอเราหยุดคิดตัวเราก็หายไป mm hmm. พอรู้ทันว่าเรากาลังหลงกับความคิด ควาจริงเราไม่มีตัวเราตัวเราเป็นเพียงแต่ผู้รู้ผู้คิดเท่านั้นเองพอเราหยุดความคิดได้ก็เหลือแต่ผู้รู้เฉยๆเทั้ก็อยู่ก็อยู่แบบผู้รู้ไปรู้แบบเฉยๆใครด่าก็เฉยใครใครชมก็เฉยใครดูถูกก็เฉยเราเป็นผู้รู้เราไม่ได้เป็นตัวเราก็ไม่ได้ด่าเราเขาด่าร่างกายก็ปล่อยก็ด่าไปร่างกายไม่ใช่เราเห็นไเวลาเราด่าใครเราด่าใครด่าร่างกายเขาใช่ไห ไม่ได้ด่าใจฮเพราะเรามองไม่เห็นใจเขาอะเราเห็นแต่ร่างกายแล้วก็ด่าร่างกายนี่ใจมันโง่งมันไปรับว่าเป็นเป็นเราขึ้นมาเองเพรใจมันฉลาดมันก็ไม่รับแล้วคูไม่ได้เป็นทั้งร่างกายคูไม่ทั้งไม่ได้เป็นทั้งผู้รู้เป็นเพียงแต่ผู้รับรู้เท่านั้นเองผู้รับรู้ก็ไม่เลยเป็นร่างกายก็เลยไม่เห็นจะต้องไปตอบโต้อะไรครับเขาจะด่าก็ปล่อยเขาด่าไปเขาจะชมก็ปล่อยเขาชมไปก็จบ ก็ไม่ต้องทุกข์กับอะไรก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องไปเป็นพรหมนี่แหละนี่คือวิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต้องฝึกสมาธิกับปัญญาต้องฝึกสติกับปัญญาถ้ามีสติมีปัญญาแล้วจะกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจได้ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสกามตัาหา ความอยากมีอยากเป็นอยากเป็ น, ปนใหญ่อยากเป็นโตความอยากไม่เป็นใหญ่ไม่เป็นโตก็กำจัดได้ความอยากไม่อยากจนความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ต้องกำจัดนันหมดอย่าไปมีความอยากกับอะไรทั้งนั้นเอาใจก็จะอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องดิ้นถ้ามีความอยากมันจะทำให้ใจดิ้นพอใจดิ้นเดี๋ยวมันก็ต้องไปเกิดดิ้นไปหาร่างกายก็ไปมีร่างกาย ดิ้ไปสวรรค์ชั้นพรมก็อยู่กับทติดอยู่สวรรค์ชั้นพรมไปพอไม่ดิ้นแล้วมันก็หลุดไม่ติดกับอะไรต่อไปไม่ติดกับตายพบไม่ติดการมมาพบไม่ติดรูปประพบไม่ติดกับอรูปประพบตายพการมมาพบก็พบของมนุษย์เทวดานี่ผู้ผู้เสพการมรูปประพบก็พบของผู้ที่ได้ฌานได้ ร, รูปฌานอรูปประพบก็คือ อบของผู้ที่ได้อารูปปัจจานเศพรูปอรูปปัจจานเหมือนเสพยาเสพติดนี่แหละการมาพบก็เหมือนเสพการมรูปพบก็เสบรูปรูปปัจจานอารูปพบก็เสารูปปัจจานพอเห็นด้วยปัญญาว่าพวกนี้มันไม่เที่ยงทั้งนั้นมีเกิดมีดับเวลาเกิดก็ดีใจเวลาดับก็เสียใจถ้าไม่อยากจะเสียใจก็อย่าไปเสพมันก็เลิกเสพ เลิกภวะทันหาวิภาวะทันหาเลิกกามะทันหาใจก็ไม่ต้องมาติดอยู่กับตายพบอีกต่อไปใจก็อยู่นิพพานนิพพานคือที่ที่ไม่มีความอยากไม่มีกามะทันหาไม่มีวิภาวะทันหาไม่มีภาวะทันหาไม่มีกามะทันหามีแต่ปรมังมีแต่ปรมังสุขขังนิบานังปรมังสุขขังมีแต่ความว่างนิบานังบรมังสุญญ ความว่างนี้ไม่ใช่หมายความว่าผู้รู้หายไปบางคนคิดว่าถึงนิพพานแล้วผู้รู้ผู้คิดหายไปศูนย์ไม่ศูนย์ไอ้ที่ศูนย์ก็คือความอยากที่ศูนย์ไปพบศูนย์รูประพบอรูประพบกามะพบนี่ศูนย์ศูนย์จากใจของผู้ที่ไม่มีกามตนะหาภาวะตนะหาวิภาวะตนะหาท่านจึงเรียกใจดวงนั้นว่าเป็นปรมังศูนย์อย่างเป็นใจที่มีแต่ความว่าง แต่เป็นใจที่มีความสุขมากเป็นบาลังบาลังสุขขังนิบานังปาังสุญ่างนิบานังปามังสุ ข, ขังไอ้พวกขูหนวกตาบอดไอ้พวกตาบอดคำช้างก็คิดว่าพอถึงนิพพานแล้วสูญหมดสูญหมดแล้วไปปฏิบัติให้มันเหนื่อยทาไมวะใช่ไมมันไม่สูญใจมันไม่มีวันสูญมันสูญไม่ได้ผู้รู้ผู้คิดไม่มีวันสูญ ไอ้ที่จะสูญก็คือกิเลสตัณหาคว า, ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆแล้วาตภพเนี่ยมันจะสูญจากใจใจไม่ไปเสพมันเหมือนคนที่เลิกติดยาเสพติดเคยเสพยาบ้าตอนนี้ยาบ้าสูญไปจากเราแล้วพ่าเราเลิกเสพแล้วเคยเสพยาอีหรือยาอะไรก็ว่าไปพอเราเลิกเสพแล้วมันก็ไม่มันก็สูญจากใจเราไปก็มีเท่านั้นพอไม่เสพแล้วดีไหมล่ะ ระว่งเสพก็ไม่เสพไปไหนดีกว่ากันะเสพแล้วมันติดใช่ไหยแล้วพอติดแล้วต้องหามาเสพอยู่เรื่อยๆพอหาไม่ได้ก็ทุกข์ใช่ไหมแล้วทําไมยังติดกันอยู่ล่ะยังติดกาแฟยังติดหนังติดละครติดเที่ยวติดกินติดดื่มติดช้อปปิ้งกันอยู่เนี่ยถึงต้องกลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆใช่ไหมเพราะไม่ฟังทำกันเนี่ย โมแต่ไปทํางานเพื่อหาเงินเพื่อจะได้ไปช็อปกันไปเที่ยวกันไปกินไปดื่มกันวันพระเลยไม่มีเวลาเข้าวัดกันเพราะต้องไปทํางานอย่นถ้าเราอยากจะมาฟังธรรมเราต้องเปลี่ยนวันพระของเราอย่าไปตามวันพระของของวัดแล้วมันใช้ไม่ไม่ทันสมัยแล้วเราต้องเปลี่ยนวันพระมาเป็นวันหยุดทํางานของเราวันไหนเราหยุดทํางานเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์นี่เราต้องถือว่าเป็นวันต้องฟังเทศฟังธรรมแล้ว ต้องมาวัดมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมถ้าฟังธรรมแล้วเดี๋ยวมันก็เข้าใจเหมือนเด็กอะ่ะถ้ามันไม่ไปโรงเรียนมันไม่รู้เรื่องเใช่ไหมเห็นไหมเด็กที่ไม่เรียนหนังสือน 5, 2, ี่ไไ ม, นมันไม่รู้เรื่องอะไรแต่เด็กที่ไปโรงเรียนนี่คุยมันโอยมันรู้หมดน้ำหนึ่งสองสามได้ a b c ได้กอไก่ขอไขได้ไอ้เด็กที่ไม่ไปเรียนถามมันไม่รู้เรื่องก็เท่านี้เองเรื่องมันอยู่ที่พวกเราไม่เข้าโรงเรียนกันเลยไม่รู้เรื่องนรกเรื่องสวรรค์ไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาป ไม่รู้ว่าใครไปเวียนไห้ตายเกิดไม่รู้ว่าใครหยุดการเวียนไหว้ตายเกิดเพราะไม่เรียนกันเทนั้นเองถ้ามาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะเรียนรู้เองแล้วก็ต้องไปฟังกับคนที่เขารู้เนะี่ยไปฟังกนะับคนไม่รู้สอนมันก็ไม่รู้เองอ่ะงงเองอะ่ะคนสอนก็ไม่รู้แล้วมันจะไปสอนให้คนที่ไม่รู้รู้ได้ยังไงเนี่ยสมัยนี้หาคนที่รู้จริงๆนี่หายากเนะ บาทีไปฟังแล้วแทนที่จะเข้าใจก็งงสงโง่มากขึ้นไปสิอันนี้ก็คือเรื่องของวันพระที่เรามากันเนี่ยวันพระแปลว่าวันธรรมสวรนระวันธรรมสวรนะแปลว่าวันฟังธรรมเราต้องฟังธรรมบ่อยๆอย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ยังดีแต่สมัยนี้พวกเราโชคดีเราฟังได้ทุกวัน เรามีอินเทอร์เน็ตมีมือถือเนี่ยฟังได้ตลอดเวลามีเวลาว่างไหนเปิดฟังเลยฟังไปเรื่อยๆฟังบ่อยๆมันจะได้เรียนรู้จะได้เข้าใจแล้วมันจะได้รู้ว่าเราจะต้องทําอะไรกันทำตาเราจะเข้าใจว่าทํำไมพระพุทธเจ้าสอนให้เราละการกระทําบาปเราจะเข้าใจว่าทําไมเราต้องทําบุญเราจะเข้าใจว่าทําไมเราต้องชําระกิเลสตัณหากําจัดมันให้หมดมาจากใจ แค่นี้คําสอนมุตเจ้ามีอยู่แค่สามสามข้อใหญ่ๆนี่เองอยาไปทําบาปใจจะได้ไม่ร้อนใ จ, จได้ไม่ทุกข์ทำบุญใจจะได้เย็นใ จ, จได้ฝันดีมีความสุขนอนหลับฝันดีแล้วถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยก็เลิกความอยากเสียหยุดความอยากจะเลิกได้ก็ต้องไปอยู่แบบนักบวชถือศีลแปดฝึกสตินั่งสมาธิแล้วก็ ใช้ปัญญาของพระทเจ้าให้เห็นว่าตัวที่ทําให้เราต้องมาเกิดแก่เจ็บตายตัวที่ต้องทําให้เราทุกข์ก็คือความอยากของเรานี้เองพอเรารู้ว่าความอยากไม่ดีทุกครั้งมันมาชวนเราไปเราก็อยากไปครบกอบมันเพื่อไม่ดีพาเราไปติดยาไปทําไมใช่ไหมชวนเราไปติดยาเราอยากไปชวนเราไปติดเที่ยวอยากไปพอเราเลิกพอมันมาชวนเราเราไม่ไปเดี๋ยวมันก็ไม่มาชวนเราแล้ว เดี๋ยวต่อไปเราก็อยู่เฉยๆได้ไม่ไม่มีไฟล้นก้นแต่ถ้าถ้าทำตามความอยากแล้วแหมเวลาใครมาชวนนี่มันพอเกิดความอยากขึ้นมานี่มันอยู่ไม่เป็นสุขไฟมันจะลนก้นร้อนขึ้นมาทั้งตัวนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการมาฟังเทศฟังธรรมเราจะได้หูตาสว่างจะได้รู้ว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริง การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดก็มีจริงผู้ที่ได้สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรากล่าวไหว้บูชานี้เองไม่ใช่ใครที่ไหนเราจึงต้องถือท่านเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นผู้สอนเป็นผู้นําทางท่านจะพาเราไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็จะอนุโมทนาให้พร ยะถาวาริกวะหาปุราปาริกปุเรติสากลังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกปติอิชิตังปะิตังตุมหังค um ิปเมวะสมิจโตซาเพปุเรนโตสังกาปายันโทปนาหะโสยะถามณิโชติ พราสุยถาสภิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุมะเตผวะตวันตรายยสุขีทีขายุโกผวะอภิวาัฒนสีลิตสะนิจังหุธาปจายโนจัตตารุธัมมาวัฏฐานติอายุวันโสุขัง อวันนี้ข้ามาเท่าไหร่วันนี้เฟซบุ๊กสูงสุดสามร้อยเก้าสิบค่ะแล้วก็ยูทู e สูงสุดร้ยอยห้าสิบค่ะวิทยุสิบเอ็ดค่ะห้าร้อยกว่าเลยห้าร้อยห้าสิบเอ็ดว่าอย่างไรวันนี้ขึ้นมาเต็มข้างบนเลย ทำบุญให้แม่จะทำะดีทำไปแม่จะได้มีความสุขถ้าแม่รอรับอยู่แม่ก็จะได้เหมือนส่งบุญส่งเงินไปโอนเงินไปต่างประเทศมีใครอยากจะถามอะไรไหเข้ามาใกล้ๆหน่อยจะพูดจะยินเสียงขออนุ ญ, ญาตพระเดชพระคุณหลวงพ่พอ ถามสามพ่อครับเอว่ามาข้อที่หนึ่งขอให้หลวงพ่ออธิบายเรื่องจิตรวมให้ฟังจิตอะไรนะจิตรวมจิตรวมครับ อ, แ ล, อแล้วข้อที่สองเดวทีละข้อดีกว่าเดี๋ยวจําไม่ได้เนีใช่ไหมจิตรวมก็คือจิตตอนนี้ของพวกเรามันไม่รวมเพรานะอะไรเพราะมันกระจายมาทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตเราเนี่เหมือนกับไฟฉายนะพอเปิดไฟมันก็พุ่งออกมาจากหลอดใช่ไหม มันกระแสงมันก็กระจายออกไปจิตเราั้งนี้กระจายไปที่ตาหูจมกูกเส้นกายไปรับรู้รูปเสียงกดลดิ่นรสพอมีกิเลสมีตัณหาความอยากอยากสัมผัสกับรูปเสียงกดลดิ่นรสมันก็เลยส่งกระแสออกไปกระแสตัวรับรู้รับรู้รูป ร, รับรู้เสียงรับรูกกร้กลิก่นรู้รสจิตมันกระจายออกไปเวลานั่งสมาธินี่เราเหมือนกับเราปิดไปฉายเหมือนกับ ถ้าเป็นแห่เวลาเราทอดแหมันจะกระจายออกไปเวลาที่เราจะดึงแหกลับมาแล้วก็ดึงมันกลับมาเดี๋ยวมันก็รวมนี่ถ้าเราอยากจะให้จิตรวมเราก็ต้องใช้อะไรดึงมันถ้าธรรมดามันจะไม่มาเองสั่งให้มันเข้ามาไม่เข้ามาต้องใช้สติดึงมันถ้าเราไม่มีสติก็ต้องใช้พุทโธเป็นตัวสร้างสติถ้าเราพุทโธพุทโธไป ความคิดที่อยากจะไปหารูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะถูกตัดไว้จิตมันก็จะไม่กระจายออกมันก็จะหดเข้ามาอดเข้ามาได้มากน้อยก็อยู่ที่กำลังของพุโทโธถ้ากำลังพุโทโธมากก็สามารถดึงเข้ามาจนกระทั่งรวมเป็นหนึ่งได้เป็นฌานขึ้นมาเป็นฌานสี่ขึ้นมาเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมานั่นแหละเกิดจิตรวมเวลาจิตรวมล้วจะเหลือแต่ผู้รู้สักแต่ว่ารู้ ความคิดเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสนี่จะหายไปแสดงว่าเราตัดกระแสจิตที่ส่งออกไปให้ดึงให้มันเข้ามาอยู่ในตัวผู้รู้ตัวเดียวตัวคิดก็หยุดด้วยนี่จิตรวมเป็นอย่างนี้ข้อสองข้อสองสมาธิกั บ, บชานนี้ลักษณะแตกต่างเป็นยังไงบ้างเหมือนกันใช่สมาธินี่มันเป็นชื่อรวมฌานมันเป็นรายละเอียด เหมือนเกียร์รถเกียร์รถกับเกียร์เนี่ยเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามนี่เรียกว่าฌานฌานใจนี่มีอยู่แปดเกียร์ด้วยกันมีสี่รูปฌานสี่อารูปฌานคือความสงบมันจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปติดเรื่อยๆถ้าเกียร์รถก็เหมือนกันถ้าใส่เกียร์แล้วรถมันก็จะวิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นพอพอถึงเกียร์หนึ่งพอมันวิ่งได้ความเร็วเต็มที่แล้วก็ต้องเปลี่ยนเกียร์ มันจะได้วิ่งเร็วขึ้นไปมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้ก็เหมือนงานจิตของเราต้องการให้มันสงบสงบก็คือสมาธิสมาธิมันมีหลายระดับมีหลายหลายเกียรหลายชั้นเหมือนความเร็วของรถรถมีความเร็วหลายหลา ย, หลายระดับอยากจะให้จิตสงบก็ต้องใช้สติเนี่ยหยุดความคิดหยุดความปรุงแต่งหยุดความจําได้ไหมายรู้ที่มีในจิตเนี่ย มีกำลังมากเท่าไหร่จิตก็จะละเอียดเข้าไปมากขึ้นสงบไปมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆตนในที่สุดก็ถึงฌานแปดฌานเก้านั่นมีมีขั้นที่เก้ามีนิโรธสมาบัติอันนั้นตอนนั้นหยุดทุกอย่างในจิตหยุดการทำงานของจิตร้อยเปอร์เซ็นี่คือสมาธิกับฌานเอามาสมาธิคือคำรวมๆนั่งสมาธิก็เพื่อจะได้ฌานต่างๆ ระดับไหนครับที่ไม่อยู่ไม่ยึดติดกับร่างกายครับอ๋อมันตั้งแต่ฌานสี่มันก็จะถอนออกจากร่างกายแต่ว่าหนึ่งของสามมันยังมีก็ยังพยายามดึงออกจากร่างกายแต่ดึงออกไม่หมดเนี่ยมันจะมาหมดเมื่อถึงฌานสี่ฌานสีมันก็จะตัดขาดจากร่างกายชั่วข่าวย่าไม่รับรู้เรื่องของตาหูจมูกลิ้นกาย สมาธิเวลามานั่งสมาธิไปเราได้ยินเสียงทุกอย่างได้ก็ยังไม่สงบได้ยินเสียงแต่ว่าเราไปวุ่นวายกับเสียงเรายังไม่วุ่นวายขอขอบคุณนะครับร่างกายที่ทำไม่ได้ก็แล้วกันอวิธีรมก็ต้องพุทโธอย่างเดียวแล้วไม่ใช่พุทโธเฉพาะเวลามานั่งเวลาพุทโธมานั่งเดี๋ยวพุทโธได้สองคำมันก็หนีไปคิดเอง ตัองคุมมันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยอย่าให้มันคิดคุมด้วยพุทโธมันจะคิดอะไรก็พุทโธพุทโธสู้กับมันไปหรือบังคับให้มันเฝ้าดูร่างกายกําลังทําอะไรก็อยู่กับร่างกายไปกําลังล้างหน้าแปรงฟันหวีผมแต่งเนื้อแต่งตัวก็ให้มันอยู่กับงานที่กําลังทําอยู่อ่าอย่าให้มันไปที่อื่นพอมันจะไปคิดก็ดึงมันกลับมา ถ้าดึงไม่ดึงมันไม่กลับก็ใช้พุโทโธดึงมาอีกเส้นก็ได้ใช้สองเส้นใช้พุโทโธแล้วก็อยู่กับหวีผมด้วยพุโทโธไปด้วยกินข้าวก็พุโทโธไปด้วยแล้วต่อไปเวลามานั่งสมาธิมันก็จะไม่มันก็จะไม่คิดนั่งห้านาทีมันก็จะสงบได้มันก็จะเข้าฌานได้มีใครเอกถารไหม ต้องฟังบ่อยๆแล้วต้องเอาไปปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติเดี๋ยวก็ลืมถ้าปฏิบัติแล้วเดี๋ยวต่อไปมันจะไม่ลืมเหมือนหัดทําอะไรเรียนทํากับข้าวเรียนแต่ถามเขาทาอย่างนั้นทำอย่างนี้เดี๋ยวก็ลืมถ้าไม่ไปทําแต่ถ้าไปทําเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไม่ลืมเดี๋ยวจะรู้ทําไปแล้วเผ็ดเกินไปหวานเกินไปน้ํามากเกินไปน้าน้อยเกินไปไฟแรงเกินไปมันจะรู้เองแล้วต่อไปมันก็จะทําได้อย่างถูกต้อง ถ้าถามเฉยๆแล้วไม่ไปทำทามไม่ได้ต้องทาใหม่ๆก็ทาผิดทำถูกไปก่อนลองผิดลองถูกไปเดี๋ยวต่อไปก็ถ้าทำไม่ถูกก็กลับมาถามทำไมทาไม่ทำไมไม่ไมเหมือนกับที่คุณทำทำยังไงล่ะก็ทำนี้ก็ไม่ใช่ต้องทาอย่างนั้นก็ต้องคอยถามกันอยู่เรื่อยปฏิบัติไปแล้วยังไม่ได้ผลก็กลับมาถามหรือสอบถามตัวเองดูก็ได้ตอนนี้เราขาดอะไร ขาสตินี่ยังไงทำน้อยไปหรือมากไปมากของไม่มีมีแต่น้อย<ม>เพราะการปฏิบัตินี้ไม่มีคำว่า ม, มากไปทำได้มากเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีทำได้เต็มร้อยผลก็ได้มากทำมากก็ได้ผลมากทำน้อยก็ได้ผลน้อย<ม>อทางบ้านมีต่างประเทศไหมวันนี้ไม่มีมีแต่ เอของคนไทยเรามีจังหวัดใหม่ไหมไม่มีนะไม่มีใครแจ้างให้ทราบนะขาดจังหวัดไหนบ้างหรือไม่รู้ไม่ได้ทํำสถิติไม่ทำสถิติว่าขานะเดี๋ยวจะได้ชวนพวกที่อาจจะมอาจจะมาจากจังหวัดนั้นๆแต่ไม่ได้บอกก็ได้ภาคใต้มียาลายาลากับสตูลตอนนี้ที่ยังไม่ยังไม่เข้ามาไม่เคยเข้ามาเลยยาลากับสตูอล ถ้าเคยขายจากเยาราสตูนก็ช่วยบอกหน่อยจะได้เอาจะได้จดไว้ในสถิติได้เก็บไว้ในสถิติตอนนี้ห้าสิบกาจังหวัดห้าเจ็ดห้าสิบเจ็ดจังหวัดสามสิบสามประเทศออสเตรียนี่มีอยู่ก่อนแล้วใช่ไหมมีนะครับเมื่อว่มานนี้กลับมาล่าสุดเป็นไอร์แลนด์ไอร์แลนด์คำถาม คำถามจากคุณซีซั่นค่ะถ้าเราตายไปเป็นเทวดาสามารถฟังธรรมได้ไหมคะได้ถ้ามีคนแสดงธรรมต้องมีพระพุทธเจ้าผ้าหลานที่ติดต่อกับเทวดาได้ผ้าหลานกับพระพุทธเจ้าผ้าหลานนี้บางรูปติดต่อกับเทวดาไม่ได้เพราะมันเป็นความสามารถพิเศษไม่เกี่ยวกับการเป็นผ้าหลานพวกที่ติดต่อกับเทวดานี้เป็นพวกที่มีฌานที่เรียกว่าอุปจารสมาธิ ตรงนี้จะมีพวกเป็นพวกที่มีอิทธิฤท ธ, ธิปาฏิหาริย์ต่างๆนี้ตรงนี้เขาจะติดต่อกับเทวดาได้เช่นปัจจุบันนี้ก็หลวงปู่มั่นนี่ท่านติดต่อกับเทวดาได้เทวดาจะมาฟังเทศกับหลวงปู่มั่นอยู่เรื่อยๆตอนดึก<ม>พระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมสอนให้เทวดาทุกคืนอุทธเจ้าคืนหนึ่งทำสอนสอนสามรอบตอนบ่ายสอนให้ญาติโยน ตอนค่าสอนให้ภิกษุสั ม, มเณยตอนดึกสอนให้เทวดาแต่เทวดาก็ต้องสนใจทำถ้าเป็นเทวดาชอบเที่ยวก็จะไม่มาฟังธรรมพวกที่ไฮโซทั้งหลายเนี่ยพวกที่ไฮโซแต่ทําบุญตายไปก็ได้ไปเป็นเทวดาเ ป, เป็นเทวดาไฮโซก็จะไปเที่ยวก็จะไม่เข้าไม่ไปฟังเทศฟังธรรมมันมีสองพวก พวกที่ชอบเข้าวัดทำบุญแล้วก็ชอบฟังธรรมพวกนีก้จะเป็นเทวดาที่ชอบฟังธรรมเขาก็จะไปหาพอเขาได้ข่าวว่าที่ไหนมีการแสดงธรรมเขาก็จะไปฟังกันคำถามจากคุณรสนาค่ะเวลาเราทำบุญเสร็จแล้วเราจะอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรของแต่ละคนอยากทราบว่าเจ้ากรรมในเวรนี้คือใครคะ ทำไมทุกคนที่ทำบุญแล้วจะต้องอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวนคะก็คนที่เขามีเรื่องกับเราไงคือเจ้ากรรมนายเวนคนที่เราไปทำร้ายเขาเขาก็อยากจะมาทำร้ายเราเขาจองเวนจองกรรมเราอยู่วิธีที่จะลดการจองเวนจองกรรมก็คือชดใช้ค่าเสียหายให้เขาเช่นเราไปชนขับรถไปชนบ้านก็พังอย่างนี้ถ้าเราหนีเขาก็จะมาจองเวนจองกรรมกับเรา ถ้าเรายอมรับชดใช้ค่าเสียหายของบ้านซ่อม บ, บ้านให้เขาทํบ้านให้เขาดีกว่าเก่าเขาก็จะเลิกจองเวรจองกรรมกับเรานี่เราเป็นผู้นิสัยที่ชอบทําเขาแล้วหนีกันเนี่ยชนแล้วหนีอย่างเงี้ยมันก็มีเจ้ากรรมนายเวรมาตามไปทําร้ายเขาแล้วแล้วก็หนีไปด่าเขาไปว่าเขาแล้วก็หนีไปโกงเขาแล้วก็หนีเขาก็ต้องตามมาจองเวรจองกรรมเราดงนั้นอย่าไปทําบาปอย่าไปทําร้ายผู้อื่นแล้วจะไม่มีเจ้ากรรมนายเวร การบวชชีสำหรับสตีนั้นการปงผมหรือไม่ปงผมมีอา น, นิสงส์ของบุญแตกต่างกันหรือไม่และมีส่วนช่วยให้คนที่ห่วงสวยติดในรูปชำระจิตใจในระหว่างปฏิบัติให้สิ่งบริสุทธิ์มากขึ้นหรือไม่คะก็เะบบการปงผมก็มันจะได้ตัดกิเลสเนี่ยความรักสวยนักงามเรเรียกว่าความการมาตัหาถ้า ถ้าอยากจะตัดการมาทันหาในเรื่องของร่างกายของเราก็อย่าไปแต่งมันต้องไปทำเท้าทำผมทำหน้าทำตากนหัวทิ้งไปเลยกนผมทิ้งไปเลยกนคิ้วจะได้ไม่ต้องมาห่วงเรื่องคิ้วเรื่องผมสบายไปเยอะคิดดูไีผมกับคิ้วนี้เป็นภาระไหมต้องคอยสะคอยเซ็จคอยคอยดัดคอยอะไรอยู่นั่นน่ะคอยย้อมอู้สารพัดสารเพ แก้ไขผมกับไอ้ขนนี่ฮะนี่ยพอไม่มีแล้วสบายอาบน้ํานี่ก็ใช้สบู่ก้านเดียวใช้ได้ทั่วร่างกายเลยไม่ต้องใช้แชมพงแชมพูไม่ต้องใช้ยาถนอมถนอมผมอะไรสบู่ก้านเดียวแล้วก็ไม่ต้องมาเช็ดให้มันอปั๊บเดียวมันก็แห้งแล้ว<ก> น, นี่คือตัดภาระด้วยตัดภาระเร่อ ก, การดูแลร่างกาย แล้วก็ตัดความหลงที่ไปหลงกับความสวยความงามของร่างกายทำให้เราต้องวุ่นวายไปกับมันพอผมแตกหน่อยผมปลายแตกหน่อยก็ทุกข์นะพอผมงอกหน่อยก็ทุกข์นะผมล่วงหน่อยก็ทุกข์นะโกนไปเลยจบฆ่ากิเลสเนี่ยนี่นี้คือการฆ่ากิเลสการโกนผมนี่ก็คือการฆ่ากิเลสต่อไป จาก ป, in India, like ประเทศกาตาค่ะค <away> ่ะกาตาอันนี้มีไหมไม่มีครับเพเป็นที่สาสิบสี่นะอ่าสามสเมื่อจิตรวมจะมีแต่ผู้รู้ผู้คิดอยู่ผู้คิดตรงนี้หมายถึงอะไรคะในเมื่อจิตตสังขารได้ระงับลงแล้วทําไมถึงมีผู้คิดอยู่ไม่มีไงก็เวลาจิตรวมผู้คิดก็หยุดไปเหลือแต่ผู้รู้สังขารความคิดปรุงแต่งก็หยุดไปก็เหลือแต่ศัก์แต่วรู้เป็นเอกคตกตาเป็นหนึ่ง ในหนึ่งก็คือเหลือแต่ผู้รู้ถ้ายังคิดอยู่ก็ยังไม่ถึงขั้นนี้ เ, นเช่นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองยังคิดอยู่คิดกับพุทโธเรียงวิตกวิจางวิตกไปว่าตรึกวิจารณ์ไปว่าตรองแล้วก็ต ร, กตรองอยู่กับคําพุทโธคําลังตรึกกําลังตรองอยู่คําพุทโธยังใช้สังขารอยู่แล้วเดี๋ยวพอมันตกหนุ่มตกบาปปับ๊บ ต, ตรองก็หยุดไปสังขารก็หยุดคิดปรุงแต่งไป จิต ก, ก็นเน่งหลือแต่สักแต่ว่ารู้ไปเมื่อเข้าถึงชาระดับสี่เกิดความโปร่งโล่งเบาสบายจิตตสังขารระงับในขณะนั่งสมาธิแล้วเมื่อกลับมาใช้ชีวิตประจำวันยังทรงชาญแบบจิตตสังขารระงับอยู่ระงับได้อยู่ไหมคะได้แต่ไม่เต็มที่ไงก็ออกมาก็ต้องใช้สติพุโทโธพุโทโธต่อก็พอที่จะควบคุมความคิดได้แต่บางั้งบางเวลาก็ต้องคิด แล้วถ้าเผลอปล่อยให้มันคิดมากเดี๋ยวมันกิเลสก็โเผกขึ้นมาได้รันหาความอยากใจก็จะร้อนขึ้นมาได้แต่ถ้าสามารถควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปในทางกิเลสได้ใจก็ยังเย็นอยู่คำถามจากคุณคิมมี่ค่ะดิฉันจะทำอย่างไรดีคะสามีเป็นมิจฉาทิฏฐิเราไปทำ เขาถึงทำอย่างไรเขาถึงจะได้บุญที่เราไปทํามาเพราะเวลาไปทําบุญหรือไปบวชถือศีลแปดเราต้องโกหกเขาไปว่าไปเที่ยวค่ะก็อย่างที่บอกนะเขาเป็นอย่างนี้เราจะให้เขาเป็นอย่างนั้ยย น, น, นได้ยังไงเพราะเป็นกล้วยจะไปให้เขาเป็นส้มได้ยังไงก็พยายามดูพยายามหาหนังสือธรรมะให้เขามาอ่านแต่บังคับเขาไม่ได้อย่างมากก็เอาไปไว้ใกล้ๆไว้ในบ้าน แต่วัาไหนเขาว่างไม่รู้จะทําอะไรเห็นหนังสือธรรมะเขาอาจจะเปิดขึ้นมาอ่านก็ได้เราก็ทําได้เท่านั้นแหละแต่ไปบังคับเขาไปสั่งเขาให้เขามีสัมมาทิฏฐินิสั่งไม่ได้เขาต้องเรียนรู้เขาต้องเปลี่ยนทัศนคติของเขาด้วยการร่ำเรียนด้วยการศึกษาถ้าเขามีโอกาสฟังธรรมได้ศึกษาได้อ่านหนังสือธรรมะเขาก็จะสามารถเปลี่ยนวิชาทิฏฐิเขาให้เป็นสัมมาทิฏฐิได้ คำถามจากคุณแฮกริดค่ะขอความเมตตาจากพ ร, พระอาจารย์ให้อธิบายให้เข้าใจด้วยเรื่องวิบากกรรมขวางแล้ววิบากกรรมตรงนี้มาจากกรรมอะไรครับกรรมเก่าในอดีตหรือกรรมปัจจุบันและมีวิธีแก้ไขเรื่องวิบากกรรมที่ขวางนี้อย่างไรครับอ๋อก็อย่าไปทำกรรมสิอย่าไปทำความเชื่อทำความดีเช่นถูกอัเตริรีแต่พอดีตารวจมาจาับเพราะเราไปฆ่าคนนี่ วันนี้ตกลอตเตอรี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ตำรวจมาจับยังไม่มีเงินแม่มีเวลาไปเบิกเงินลอตเตอรี่แต่เพราะว่าเราไปฆ่าคนมาเมื่อสามวันก่อนตำรวจก็มาจับเราไปขังคุกขังตารางดีไม่ดีลอตเตอรี่อาจจะถูกตำรวจยึดไปก็ได้นี่เรียกว่ากรรมมาขวางเพราะเราไปทําไว้กรรมไว้พอทํากรรมแล้วมันพอมันมีเวลาส่งผลมันก็จะมาขวาง อยาถ้าเราไม่เคยทํากรรมอะไรไว้เลยมันก็จะไม่มีอะไรมาขวางเร า, าเราไม่ไปฆ่าคนเราถูกตะลีดเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ไปเบิกเัินได้นีอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังคําถามจากคุณประพัน์ค่ะผมฝึกปฏิบัติโดยอยู่กับสภาวะตัวผู้รู้อย่างเดียวโดยสภาวะนี้จะเกิดเองโดยอัตโนมัติถูกต้องไหมครับไม่ถูกหรอกคุณยังไม่รู้ว่าตัวผู้รู้อยู่ตรงไหนคุณจะไปอยู่กับตัวผู้รู้ได้ไง คุณอยู่กับตัวคิดอยู่ตลอดเวลาคุณต้องหยุดคิดก่อนแล้วตัวผู้รู้ถึงจะปรากฏให้คุณเห็นถ้าคุณไม่หยุดคิดคุณอยู่กับตัวคิดไม่ได้อยู่กับตัวรู้หรอกเพราะคุณไม่เคยหยุดคิดจะไปเราจะไปเห็นตัวรู้ได้ยังไงตัวคิดนี่มันไม่หยุดด้วยตัวมันเองอะต้องใช้เบรกหยุดมันต้องใช้พุทโธใช้สติมันถึงจะหยุดอย่าไปคิดว่าคุณมีตัวรู้มันไม่มีหรอกถ้ามีคุณก็เข้าสมาธิได้ คำถามจากคุณโบค่ะเวลาเราทํางานแล้วติดขัดทําให้เราเครียดก็เลยนึกอยากทําบุญเพื่อหวังว่าจะดีขึ้นและมักรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆทําบุญแล้วมักมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นตามมาอย่างนี้เรียกว่าเป็นอุปทานหรืออยู่ในความหลงหรือเปล่าคะและเป็นวิธีที่ถูกต้องหรือไม่คะคือ<ม>การทําบุญเนี่ยเป้าหมายหลักก็คือใจความสุขใจสบายใจส่วนผลพลอยได้นี้อาจจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้ ทำความดีคนอื่นก็เห็นเราเป็นคนดี mm. ก็อาจจะอยากจะมาร่วมทุนกับเรามาทำกิจกรรมกับเราเนี่ยมันก็ได้แต่บางทำเขาไม่รู้ว่าเราทำความดีเขาอาจจะไม่มาไม่รู้จักเราไม่รู้ว่าเราดีเขาก็อาจจะไม่มาร่วมทุนกับเราก็ได้ฉังนั้นผลที่ไดจากการทาบุญคือความสุขใจสบายใจอันนี้ได้เสมอแต่ต้องทำแบบไม่ไม่ต้องการผลตอบแทนจากใคร ถาการผลตอบแทนเพราะไม่ได้ก็เสียใจแทนที่จะสุขใจจากการทําบุญก็กลับไปเสียใจอันนี้ก็ทําบุญแบบไม่ได้บุญดังนั้นทําบุญแล้วไม่ต้องหวังอะไรจากใครทำเพราะอยากจะให้คนอื่นก็มีความสุขพอทําแล้วเราก็จะมีความสุขใจเกิดขึ้นมาส่วนผลพลอยได้เพื่อมีใครเห็นเราทําบุญเป็นคนดีอาจจะยกย่องให้รางวัลเรา แต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าสมาคมหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะเห็นว่าเราเป็นคนดีอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนอื่นเขาที่เขาจะเห็นดีเห็นงามด้วยหรือไม่ถ้าเขาไม่เห็นดีเห็นงามด้วยก็ช่วยไม่ได้สั่งก็ไม่ได้ห้ามก็ไม่ได้นี้บางทีเราทําบุญแล้วเราเกิดเราได้สิ่งที่เราอยากได้มันอาจจะเป็นเรื่องของบังเอิญอื่นทำไม่ทำก็จะได้อยู่แล้วใจร้อน ยังไม่ได้ก็รีบไปทำบุญพอทำปั้มมันก็ได้ขึ้นม า, างนั้นไอ้เรื่องภายนอกนี้มันไม่แน่นอนเพราะว่าผลบุญจริงๆก็คืออยู่ที่ใจคือความยินใจสุขใจสวรรค์เกิดขึ้นในใจเราลอนหลับก็ฝันดีตายไปก็ไปสวรรค์อันนี้แหละคือผลบุญที่เราได้แน่นอนแต่เรื่องอย่างอื่นเรื่องลาบยศสารเสสนี่ไม่แน่นอนคำถามจากคุณพีโกคะ่ะ เราจะเปลี่ยนใจที่คิดให้เป็นใจที่รู้ได้ยังไงครับก็หยุดคิดก่อนเลยหยุดคิดก่อนพุทโธพุทโธไปพอมันคิดก็พุทโธไปเดี๋ยวพอหยุดคิดแล้วตัวผู้รู้ก็โผล่ขึ้นมาแล้วต่อไปเราก็อยากจะคิดถ้าอยากจะคิดดีคิดให้เป็นก็ต้องไปศึกษาจากคนที่คิดเป็นก็ไปศึกษาจากพระพูธพระธรรมพระสงฆ์ท่านก็จะสอนให้เราคิดไม่ทําบาปคิดทําบุญ คิดหยุดความอยากให้สอนอย่างนี้ต่อไปเราก็จะคิดไปในทางที่ดีทำให้เรามีความสุขมากขึ้นความทุกข์น้อยลงไปคำถามจากคุณสามภพบผู้ที่เข้าถึงแต่ละฌานอุทิศบุญหลังจากนั่งสมาธิมีผลต่างกันหรือไม่ครับบุญจากฌานสมาธิเขาไม่บุทิศกันหรอกเพราะมันเป็นบุญที่ผู้รับเขาไม่ เ, า, เารับไม่ได้มันคนระดับกับจิตของเขา บุญที่เขารับกันได้ก็บุญที่เกิดจากการทำทางคาถามจากคุณ k R ค่ะความอยากกับความโกรธกิเลสสองตัวนี้ละวางด้วยวิธีเดียวกันไหมคะก็ต้องหยุดความอยากเพราะความโกรธเกิดจากความอยากอีกทีหนึ่งอยากได้แล้วไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธเฮงก็ต้องหัดทำใจแบบยินดีตามมีตามเกิด ไปด้านกว๋วยเตี๋ยวสั่งกว๋วยเตี๋ยวเด็กมันเอาเข้าวต้มมาให้ก็อย่าไปโกรธก็ยินดีข้าวต้มก็ได้กว๋วยเตี๋ยวก็ได้ก็จะไม่โกรธแต่ถ้าตั้งใจจะกินกว๋วยเตี๋ยวอยากกินกว๋วยเตี๋ยวเด็กมันหูไม่ดีฟังเป็นข้าวต้มเอาเข้าวต้มมาให้ก็จะโกรธขึ้นมาไอ้แม่เด็กไอ้คนที่เลี้ยงที่ข้าแม่ก็เพราะหิวข้าวนะหิวพ้าแม่มาสายแล้วก็เห็นว่าข้าวที่ใส่มาในกล่องนี่น้อย ไม่พอกินก็เลยโกรธมากโกรธเลยฆ่าแม่เลยพอกินพอถึงเวลากินจริงๆกินไม่หมดพาเราอยากแล้วมันดูของนิดเดียวไแม่เวลาเราอยากกินกับข้าวของเต็มโต๊ะคิดว่าจะกินมนันทั้โต้พอ ก, กินไปจริงๆกินได้แค่จานเดียวก็วไม่อยากกินไม่ลงนะความอยากมันจะทำให้เราโกรธขึ้นมาได้ถ้าเราไม่ได้ดังใจอยาก คำถามจากคุณยุโยงค่ะการฟังเทศฟังธรรมคนที่ยอมฟังหรืออยากฟังและฟังเข้าใจขึ้นอยู่กับบุญหรือไม่คะเพราะบางคนบอกให้ฟังจะไม่สนใจและไม่อยากฟังแต่บางคนฟังแล้วจะเข้าใจโดยง่ายค่ะคือคําว่าบุญนี้มันมีหลายอย่างนีบุญที่เกิดจากการฟังธรรมคนที่เคยฟังธรรมก็ถือว่ามีบุญเคยฟังธรรมแล้วก็จะชอบฟังธรรม เวลาฟังธรรมก็จะฟังด้วยความตั้งใจก็จะเข้าใจคนที่ไม่ชอบฟังธรรมก็เพราะไม่เคยฟังธรรมมาก่อนพอไม่เคยฟังธรรมก็เลยไม่มีบุญจากการฟังธรรมพอมาฟังธรรมก็ไม่ชอบฟังไม่ตั้งใจฟังฟังก็ไม่รู้เรื่องเฉะนั้นคนที่ฟังธรรมรู้เรื่องนี่ส่วนหนึ่งก็คิดว่าคงเป็นเพราะว่าชอบฟังธรรมมาก่อนพอได้ฟังธรรมก็ตั้งใจฟัง คำถามจากคุณชิลาลดค่ะเป็นกเกษตรกรหลีกเลี่ยงกับการเบียดเบียนกับมแมลงศัตรูพืชไม่ได้ทำอย่างไรถึงจะไม่ติดค้างเป็นเจ้ากรรมในเวรในชาติหน้าครับก็พยายามเปลี่ยนอาชีพเลยคนอื่นก็เขาเป็นทำอาชีพอื่นได้ถ้าเราจะเปลี่ยนไม่ได้อาชีพเบื่นงนี้ต้องเยอะแยะไปคุณวสันค่ะบางสำนักมีการสอบอารมณ์ลูกศิษย์อยากสาบ อยากทราบว่าจริงๆแล้วกรรมฐานนี่มีการสอบอารมณ์จริงไหมครับก็แล้วแต่แล้วแต่สำนักแต่ละสำนักเขาจะจัดขึ้นมาสอบหรือไม่สอบสอบอารมณ์ก็คือทดสอบดูว่าเราปฏิบัติไปถึงขั้นไหนแล้วเราขายโกรธหรือยังหรืยังโกรธอยู่เรายังโลภอยู่หรือเปล่าที่จะสอบนี่มันวิธีสอบจริงๆเขาต้องไม่บอกเราถึงเขาถึงจะสอบเราได้ถ้าเขาบอกต่อไปนี่จะสอบนี่หรือแล้วก็ตั้งใจรับข้อสอบ นี่ก็จะทำตอนที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะทำข้อสอบนะเพราะเวลาข้อสอบจริงมันมามันไม่ได้มาตามที่มันนัดหมายมันมาตามเวลามันถึงเวลามันจะเกิดก็เกิดอยู่ดีๆสามีตายไปไนะอย่างเงี้ยทอดข้อสอบมาแนละ้วดูซิว่าใจเราเสียใจหรือเปล่าถ้าเสียใจก็แสดงว่าสอบตกการปฏิบัติเพื่อระงับความเสียใจความทุกข์ใจต่างๆไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้น ระงับความโกรธได้หรือเปล่าเวลาไม่ได้อเวลาใครขัดใจแล้วแล้วเราโกรธเขาหรือเปล่าอันนี้คารยิงไม่ต้องให้คนอื่นเข้ามาสอบเราหรอกเราเรานั่ยแหละต้องเป็นผู้สอบตัวเราเองแล้ว เ, เ, เราสอบตกแล้วเราไม่รู้วิธีแก้ไขก็ต้องไปถามผู้รู้ว่าแก้ไขยังไงทำยังไงถึงจะสอบผ่านเพราะสอบทีไรมันสอบตกทุกทีก็อาจจะต้องถามวิธีอย่างนี้ก็ต้องไปถามครูบาอาจารย์ แต่บางทีครูบาอาจารย์อยากจะรู้ท่านก็อาจจะสอบเราก็ได้โดยที่เราไม่รู้ตัวอยู่ดีๆก็ด่าขึ้นมาเฉยๆเอ้กูไม่จะทำอะไรจะว่ า, าดอาไม่จะทำอะไรผิดซะหน่อยไอโ ง, โงโออ่เงี้ดูดูเส้จะทำยังไองออาก็กดก็จบอบาจารย์ค่ะคำถามจากคุณพัฒนันค่ะ คนป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายที่มีความเจ็บปวดเวทนารุนแรงและยาวนานต่อเนื่องถ้าจะใช้น้ำมันกัญชาหรือมอร์ฟีนในทางการแพทย์เพื่อระ ง, งับปวดต่อเนื่องจะผิดศีลไหมครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้ามันมันใช้ที่ร่างกายแบบกินเข้าไปหรือเปล่ามอร์ฟีนฉีดฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปค่ะแล้วมันมันฉีดแล้วทําให้เสียสติหรือเปล่า คือถ้าเสพไปแล้วยังไม่เสียสติก็ไม่เป็นไรอย่างบุหรี่นี่สูบได้สูบแล้วไม่มีไม่ไม่ทำให้สติเผลอสติต้องกินต้องอะไรเสพเข้าไปแล้วทำให้มึนเมาท่นั้นอ๋อติดไม่เป็นไรติดไม่ติดไม่ติดไม่ติดไม่เป็นไรไอ้ตัวที่เป็นปัญหาคือว่ามันทำให้ไม่มีสติหรือเปล่าเผลอสติทำให้มึนเมาหรือเปล่าถ้าไม่มึนเมาก็ไม่ถือว่าเป็นยาเสพติด พราะว่าข้อห้านี้ห้ามสุราเพราะว่าดื่มแล้วมันไม่มีสติควบคุมการกระทํามันจะทําให้ไปทําบาปข้ออื่นได้แต่ถ้าเป็นคนป่วยมันไม่ได้ไปทําบาปข้ออื่นนล้นพี่วน อ, น อ, อันนีไ้ไม่ไม่ถือว่าเป็นมันอาจจะมีโทษตรงที่มันเป็นยาเสพติดแต่มันไม่ใช่ผิดศีลศีลข้อหานี้มีไว้เพื่อรักษาสติให้เรามีสติดื่มสุราแล้วเมากัญชานี้ก็ไม่ได้ถ้ากัญชาเสพแล้วมันจะเมา มเมาไหมไม่เมาเลยแต่ว่าเมาก็ไม่เชิงอารมณ์ดีอะค่ะมันเออแต่มันไม่เมาเหมือนคนเมาเล่าอะเออมันไม่ฮอาฮ่าฮันฮ่ามีสติอย่่ก็ยังถือ่า่าไ่่ผิดอย่่นฮ่าห่าฮ่าฮ่าฮ่่ คือถ้ามันเสดกัญชาแล้วมันทำให้เราไปทำบาปง่ายขึ้นอย่างนี้ก็ผิดเด็กไปลแล้วทำให้เรายากัยากยักอักคัหกัหกหาก้หามจิตใจในการทำบาปไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าผิดว่าสินค้านี้มีไว้เพื่อไม่ให้เราไปออไปทำบาปได้ง่ายพอกินเหล้าเมาแล้วมันบางทีพูดจาหยาบคายได้ง่ายธราบดาม่กินเหล้านี่ครับผมอย่างงู้นอย่างนี้พอเมาแล้วมึงกูนี่เห <c oughs> คำถามจากคุณชาลิดค่ะเหตุใดผู้ที่เคยทําร้ายผู้คนอย่างมากอย่างองค์คุรีมานไม่มีเจ้ากรรมนายเวรมาเอาคืนก่อนตายซึ่งแตกต่างกับพระอคาระสาวกอย่างพระโมคคารนะผู้ถูกกลุ่มโจรดุมทําร้ายจนตายคะก็ตามมาไม่ทันมีอยู่แต่ตามมาไม่ทันก็มีบ้างในในข่าวในว่าท่านก็ถูกชาวบ้านเอาก้อนหินเฟียงใสนะ่เวลาไปหมู่บ้านที่เขาจาหน้าได้ เขาก็โกรธเกลียดอาฆาตเขาก็ไล่ด้วยการเฟ่องก้อนหินใส่มันก็กรมเวณมันก็อยู่ที่ว่ามันมาทันหรือไม่ทันถ้าไม่ทันก็รอดตัวไปพอตายไปไม่กลับมาเกิดกรมเว์ก็ตามไม่ได้แนละ้วจบไม่มีร่างกายที่เขาจะไปทำร้ายได้คำถามจากคุณกิ๊กค่ะยืนทำสมาธิไม่ได้หลับตาแต่มีแสงระยิบระยับรอบในตัวระหว่างยืนค่ะ แสงที่ระยิบระยับที่เกิดขึ้นนี้หมายถึงแสงอะไรคะก็หมายถึงแสงอย่างนั้นอะหมายถึงแสงอะไรแต่เราทําสมาธินี่เราไม่ได้ทำเพื่อให้มีแสงเราทําสมาธิเพื่อให้ใจสงบแต่บางทีมันก็มีของแถมมาก็คิดว่าเป็นของแถมแต่เราอย่าไปติดกับของแถมให้เราติดกับความสงบอย่าไปสนใจกับแสงระยิบระยับแล้วอย่าไป พถ้าติดแล้วเดี๋ยวทุกครั้งนั่งทุกครั้งนั่งสมาธิหรือยืนสมาธิแล้วต้องให้มีแสงแสงนี่ไม่มีประโยชน์อะไรกับจิตใจสิ่งที่มีประโยชน์กับจิตใจก็คือความสงบใจจะมีความสุขเพราะความสงบไม่ใช่สุขเพราะแสงใจจะมีอุเบกขาเพราะความสงบเราต้องการอุเบกขาต้องการความสุขจากสมาธิเพื่อเราจะได้ใช้สู้กับความอยากต่อไป เวลาเกิดความอยากใจเราไม่สุขใจเราสั่นเราก็มานั่งสมาธิพอนั่งสมาธิใจก็สงบก็หายสั่นใจก็มีความสุขเราก็จะได้ไม่ต้องไปทาตามความอยากต่อไปคำถามจ้าคุณจัสมินค่ะขอโอกาสพระอาจารย์ช่วยขยายความคำว่าทำทั้งหลายไหลามาแต่เหตุเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปค่ะก็สิ่งต่างๆมันมีเหตุทาให้มันปรากฏขึ้นมา คำว่าทำก็คือสิ่ ง, งตา่างๆเช่นต้นไม้มันต้องมีเหตุทาให้มันเกิดขึ้นมาต้นไม้มันก็ต้องมีดินน้ำลมไฟมันนี้แล้วก็ต้องมีเมล็ดคนเราจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมีพ่อมีแม่แล้วก็มีดินน้ำลมไฟหล่อเลี้ยงให้มันจเจริญเติบโตขึ้นมา iPhone ก็ต้องมีโรงงานผลิต iPhone มันทุกอย่างมันต้องมีเหตุทั้งนั้นมันถึงนี้นะ ทำให้สิ่งต่างๆเหตุ อ, ต อ, ต อ, อ, ต อ, อันนึงก็มีเหตุอีกการหนึ่งไล่กันไปเรื่อยๆ iPhone เนี่ยถ้าไล่ไปมันมีเหตุต้องกี่ร้อยเหตุก็ไม่รู้กว่าจะามาได้เป็น iPhone จะเอาสายไฟมันก็ต้องไปที่โรงงานผลิตสายไฟโรงงานผลิตสายไฟก็ต้องไปเอาเอ่อเอาเส้นเอาอะไรจากอีกที่ดินมาผลิตมันก็ไล่ไปเรื่อยๆต้นใี่สุดมันก็ไปที่ดินนั่นแหละของทุกอย่างมันมาจากดินมันต้องไปขุดเหมืองไปขุดเอาแร่อ อ, อกมา แร่เหล็กแร่อะไรต่างๆพลา ส, สติกก็ต้องไปขุดน้ํามันออกมาใช่ไหมเอาน้ํามันมาทําเป็นพลา ส, สติกทาอะไรต่างๆยั น, นถ้าไล่ไปที่สุดในที่สุดเหตุ ates, ทั้งหมดที่ทําให้ทุกอย่างนี้นี่ก็มาจากไอ้ดินน้ํานมไฟสี่ตัวนี้แหละแล้วมันก็จะมาเปลี่ยนไปผสมไปผส ม, ไปผสมมากลายเป็นอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วเราก็มาปรุงแต่งมาประกอบให้เป็นโทรศัพท์ให้เป็นรถยนต์ให้เป็นอะไรต่างๆขึ้นมา <c oughs> นี่คือเหตุ จากคุณดูฟูค่ะลูกติดยาเสพติดจะทําอย่างไรไม่ให้โกรธลูกชายบวชแล้วตอนบวชก็หยุดยาเสพติดได้ไม่ให้โกรธลูกที่ติดยาเสพติดไม่คําถามไม่ชัดเจนนะคะก็อย่าไปโกรธแล้วก็เมตตาสงสารมันที่ว่ามันเป็นโครคภัยไข้เจ็บอย่างหนึ่งก็ต้องรักษากันไปเอาไปบําบัดเอาไปสถานที่เขาบาบัดคนติดยาเสพติดโกรธไปก็ไม่ได้ทําให้เขาหายหายเสพหายติด เมื่อเขาไม่สบายเขาติดยาเสพติดก็ต้องพาไปหาผู้ที่เขารักษาบําบัดได้คําถามจากคุณเอกภพค่ะหากเรามีเรื่องกับผู้กรณีจนเราต้องออกจากงานเพื่อให้เขาพอใจถือเป็นการชดใช้กรรมไหมครับแต่เขาไม่มจองเวรจองกรรว่าถืว่าชดใช้กรรมกันไปคําถามจากคุณสอนชยัย เวลาที่ผมคิดถึงคนที่ผมเคยรักผมภาวนาคำว่าพุโทโธแล้วก็ไม่หยุดคิดถึงเขาก็เลยใช้คำว่าพุธทธังสารานาังขฉามิจนถึงตติยามปิสังคังสารานาังขฉามิแล้วใจหยุดคิดถึงได้ดีแบบนี้ผมทำถูกแล้วใช่ไหมครับถูกแล้วทำยังไงก็ได้เพื่อให้เราหยุดคิดถึงเขาเราต้องมีอะไรให้เราคิดอยู่เรื่อยๆเช่นพุโทโธธรมโมสังโขพุธทธังสารานังขฉามิ หรือสวนบทส่วนมนต์ยาวๆไปนานๆพอสวดไปนานๆเดี๋ยวมันก็ลืมเรื่องที่เราคิดเห็นได้คําถามจากคุณบีบีอัปปนาสมาธิมีสติกํากับหรือเปล่าครับจิตประกอบด้วยสติใช่สติสังขารใช่จิตสังขารหรือเปล่าครับ อ, อ๋อต้องมีสติมันถึงจะเข้าอัปปนาสมาธิไดออ้ชื่อสติเป็น จิตสังขารหรือไม่เราไม่รู้เพราะเราไม่ได้ไปศึกษามันรู้แต่ตัวมันไม่รู้จักชื่อมันหรือว่าตัวนี้หยุดความคิดได้คําถามจากคุณแพวณภาถ้าก่อนตายเราเจ็บปวดร่างกายเราจะทําอย่างไรให้จิตเราสงบก่อนตายคะก็ใช้พุโทโธเนี่ยฝึกสติเยอะๆแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปสนใจกับความเจ็บของร่างกาย ทำใจให้สงบแล้วใจเราจะไม่ทุกข์กับความเจ็บของร่างกายคําถามจากคุณกระหนกลักษ์ค่ะจากลําปางเวลาสวดมนต์ไม่เป่งเสียงจะได้บุญไหมคะได้ได้ดีกว่าเป่งเสียงอีกเพราะการสวดมนต์นี้ก็ทําใจให้สงบเมื่อเราไม่ใช้ร่างกายใจก็จะสงบง่ายกว่าการใช้ร่างกายเพราะใช้ร่างกายใจยังต้องควบคุมสั่งให้ร่างกายสวดอยู่ แต่ถ้าเราไม่ใช่ร่างกายส่วนส่วนในใจแล้วเราก็ร่างกายจิตก็เลยไม่ต้องไปสั่งให้ร่างกายทำงานจิตก็จะได้สงบง่ายขึ้นมากเร็วขึ้นเพราะทำงานน้อยลงคำถามจากคุณทัศนีเปิดเทปธรรมะในบ้านแล้วเทวราท่านจะได้ฟังไหมคะคือเราไปรู้มีเข้ามาฟังรึเปล่าถ้าเขาฟังก็ฟังผ่านทางละใจเราอีกทีหนึ่ง เพราะเขาคงยังรับเสียงจากเสียงเสียงธรรมดาไม่ได้เพราะเขาไม่มีหู mm hmm. ก็ต้องอาศัยใจเรารับเสียงนั้นเข้ามาในใจเราแล้วก็ฟังผ่านใจเราอีกทอดหนึ mm ่ง hmm. เพราะใจเราเป็นร่างกายทิพย์กายทิพย์ของเรานี้ต้องมีหูรับเสียง mm hmm. เสียง mm hmm. เสียงเข้ามาแล้วส่งไปให้ที่กายทิพย์พอกายทิพย์ได้ยินเสียงถ้ากายทิพย์โดยอื่นมาแอบฟัง mm hmm. ก็อาจจะได้ฟังจากกาย อยากอยากกายทิพย์อีกทีนึ่งแต่จะถ้าไม่มีถ้าเปิดไว้เฉยๆไม่มีใครฟังกายทิพย์เขไม่สามารถจะมาฟังเสียงเสียงได้เพราะก็ไม่มีหูหูอยากมาฟังเสียงอยากอาจาราคิดว่ามีพิพัฒาประจาตัวก็ฟังจากกายที่ฟังใจได้ใไหมได้เขก็ฟังใจเราไงเขาดูว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่เราคิดอยากได้อะไรถ้าเขาอยากจะช่วยเราเดี๋ยวเขาก็ไปหาของมาให้เรา เปิดแต่บางทีตัวเองไม่ได้ไม่ได้เปิดทีงไหมเปิดให้เทวดาฟังเทวดามันไม่มีหูคำถามจากคุณสมเด็จนั่งสมาธิแล้วรู้สึกไม่มีลมหายใจคืออะไรครับก็เวลาจิตสงบมันก็ไม่สนใจกับลมหายใจเรื่องลมละเอียดจนเราไม่สามารถสัมผัสได้แต่มันยังมีอยู่ถ้าไม่มีมันก็ต้องตาย อย่างพวกฤาษีที่เขาเข้าสมาบัติเนี่ยสิบห้าวันเนี่ยร่างกายยังหายใจอยู่แต่อาจจะชั่วโมงหนึ่งหายใจสักครั้งหนึ่งไม่ครึ่งชั่วโมงหรือสิบนาทีเนี่ไม่ได้หายใจแบบเรานาทีหนึ่งอาจจะหายใจแค่สองสามครั้งเลยมันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกับไม่มีลมหายใจอาอีกคําอีกสองคำถามค่ะคำถามจากคุณธัญญารับ เวลานั่งสมาธิแล้วเราหลับโดยไม่ได้ตั้งใจถือว่าเป็นการนั่งสมาธิไหมคะไม่หรอกก็หลับไม่ได้นั่งหลับไม่ได้นั่งสมาธิคำถามจากคุณทองมดนะคะการมีสติแล้วเกิดความเบากายเบาใจมีความอิ่มใจความเบากายเบาใจอิ่มใจนี้ถือว่าเป็นบุญหรือเปล่าครับเป็นบุญที่เกิดจากความสงบของใจ แต่บุญอาจจะเป็นบุญส่วนย่อยยังไม่ยังไม่บุญเต็มร้อยเวลาเราพุโทโธพุโทโธไปนี่ใจเราก็จะเบาขึ้นนะสบายขึ้นนะเคยหนัก อ, อกหนักใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ก็หายไปใจก็เบาขึ้น่ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นบุญอย่างหนึง่งแต่ไม่ได้เป็นบุญที่เราใช้อุทิศกันบุญที่เราใช้อุทิศนี้พระพุทธเจ้าสอนให้ทําบุญทําทานแล้วก็อุทิศบุญนั้นไป